การที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนนี้ก็เพื่อให้เราได้เข้าถึงคำสอนที่แท้จริงคำสอนที่แท้จริงของผู้เจ้าแล้วก็คำสอนนี้ก็จะเป็นคำสอนที่แสดงผลออกมาให้เราเห็นว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยผลของการปฏิบัติเนี่ยเราจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เราก็จะประจักขเขาเรียกประจักแก่สายตาหรือจะประจักแก่สกีพยานในการทำของเราถ้าเกิดว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นเราทำไม่เกิดขึ้นมาแล้วเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไรเราก็ดูไม่ออกการปฏิบัตินั่นเองจะทำให้เราเข้าใจชัดของการเข้าถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างถูกต้อง แน่นอนก็ต้องมีผลออกมารองรับเสียงเสียงเบาเป็นนิดนใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ท่านพลจันทร์ใช่ไหมเพราะเสียงท่านดังเขาต้องลีขางโน แต่ว่าเสียงผมนั้นเบาทางโน้นไม่เพิ่มเพิ่มเสียงนิดอะไรเพราะว่าเสียงพรจรันดังมากเต้อ ง, ต, องต้องหลีกสกุลเลย อ, อ๋อไม่ใช่พรเจรันนะเนางให้ให้ดังวันนี้นิด <c oughs> ก็ก็คือว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เราจะต้องเข้าถึงคำสอนพระเจ้าอย่างถูกต้องก็คือว่าอารมณ์ของของคนเรามากมายนีย่จะต้องดับไปดับไปการดับของอารมณ์นั่นเองจะเป็นเครื่องวัดของความถูกต้องอของการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้เนี่ยก่อให้เกิดความ เรียกว่าความคิดความปรุงแต่งก็เกิดขึ้นมาอารมณ์ต่างๆเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้สี่อย่างก็คืออายะศัตรความไม่รู้ตรงนั้นแหละทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะยับยั้งอารมณ์ของเราให้ให้ให้ดับให้ดับให้สิ้นไปได้เท่ากับว่าคนเราเนี่ยที่คิดทั้งหมดเนี่ยที่ปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆอยู่เนี่ยเป็นความผิด เป็นความไม่ถูกต้องของอของความเป็นจริงคือความเป็นจริงก็คือว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาไม่เที่ยงจิตเราเนี่ยมาหลงร่างกายนี้ได้ร่างกายมาก็หลงร่างกายก็เลยไ ข, ขว่คว้าสิ่งที่รอบรอบกายเราก็คือสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นการไ ข, ขว่คว้าของจิตเ่านั้นก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นเอง ดันอารมณ์เหล่านี้เองจึงเป็นเครื่องบ่งบอกของความเป็นผู้มีกิเลสของคนเราดังนั้นอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะต้องกําจัดให้สิ้นไปจากใจเราให้ได้การปฏิบททัติธรรมนี้ก็ก็จะวัดตรงที่อารมณ์นั่นเองอารมณ์นั่นแหละจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าความถูกต้องหรือความผิดเนี่ยอมีได้อย่างไรมีมากน้อยแค่ไหนก็คืออารมณ์เป็นเครื่องวัดของคนเรา อารมณ์ของจิตนั้นเป็นกิเลสทั้งสิ้นบางคนก็ยังไม่รู้ว่าอารมณ์ของคนเราเนี่ยคือกิเลสหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนกิเลสอันไหนที่ไม่ใช่กิเลสบางคนบอกว่าคิดดีเนี่ยเป็นไม่ใช่กิเลสเป็นอารมณ์ที่ดีแต่คิดไม่ดีนี่ต่างหากเป็นเป็นกิเลสความจริงแล้วเนี่ยเป็นทุกอย่างแม้แต่คิดดีหรือคิดไม่ดี บรรดาความคิดทั้งหมดเป็นกิเลสทั้งทั้งสิ้นมาคนบอกถ้าอย่างนั้นคนเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเราไม่ต้องทำอะไรเลยสิความจริงแล้วเนี่ยทำได้แต่ทำด้วยได้โ ด, ย, ด, ย, ดยที่ไม่ต้องคิดทำโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งทำโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรทำแบบไหนทำแบบรู้ซึ่งเราจะไม่รู้จากคานี้เลยทายังไงหนอททำแบบรู้ คนเราจะไม่รู้จักเพราะว่าเรายังไม่มีธรรมชาตินั้นก็คือจิตนั้นมีอยู่แต่จิตนั้นหาได้วิ่งไปหาอารมณ์เป็นผู้รู้อยู่เห็นอยู่เขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นก็คือผู้รู้อยู่เห็นอยู่รู้รู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปก็คือความเป็นผู้รับรู้แต่ไม่ได้เป็นผู้เสวยผล น, นั้นของการรับรู้นั้นว่าดีใจด้วยนะเสียใจด้วยน ะ, ะเมื่อก่อนนี้เรารับรู้เราเสวยผลเราเราผูกพัน ผูกพันความผูกพันนั่นแหละคือเขาเรียกว่าคือความทุกข์ของคนเราคือความายึดมั่นถือมั่นของคนเราเป็นเป็นกิเลส ข, ของคนเรานั่นเองอวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมลักษณะของการที่ว่าเราจะเข้าถึงการพ้นทุกข์ของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้อะไรบ้างที่เราจะต้องมารู้ เขาเรียกว่าความยงใหญ่ของคนเราทั้งหมดที่มีอยู่ะระหว่างจิตเรากับอารมณ์เนี่ยต้องมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องรู้ขึ้นมาให้ได้วันนี้ก็จะได้แสดงธรรมเรื่องของจตุราอริยสัจก็คืออริยสัจสี่แล้วก็การที่เราจะชำระ ก, กิเลสของเราเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไร หนทางของการที่จะรู้แจ้งของคําสอนพุทธเจ้าที่ถูกต้องนั้นเราจะประพฤติปฏิบัติเช่นไดที่จะถูกต้องก็คือเราจะต้องรู้สิ่งที่เป็นหลักใหญ่หญของพุทธศาสนาที่ถูกต้องก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสีอริยสัจหรือจตุลาอริยสัจจึงเป็นจตุลาแปลว่าสี่นะจตุแปลว่า4อริยสัจก็คืออริยสนะัจสี่นั่นเอง ความจริงที่เราจะต้องเข้าใจเข้าถึงของการพ้นทุกข์เราจะต้องมีความรู้สี่อย่างขึ้นมาก่อนอความรู้สี่อย่างเหล่านี้เนี่ยจะเป็นความรู้ที่ทุกคนจะต้องเข้ารู้แล้วก็เข้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้เราเนี่ยดับทุกข์ อริยสัจสีจึงเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เดียวที่คร อ, อบครุมไปทุกอย่างแม้แต่มักผลทางที่นำไปสู่การดับทุกข์นั้นก็อยู่ในอริยสัจนั่นเองนั้นการที่เราจะเข้าใจอริยสัจเนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายอ่าไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่ของใครที่จะรู้ได้ไง่ายๆว่าการเข้าถึงอ่าความจริงที่อ่าเขาเรียกว่าความจริงอันประเสริฐ ที่สามารถที่เราจะเข้าไปสู่การพ้นทุก์ได้ก็มีสี่อย่างก็คือจตุราริยสัจที่เราจะนําไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงซึ่งหมวดธรรมหมวดนี้เนี่ยจะเป็นหมวดที่ครอบคุมไปทุกอย่างอทุกอย่างที่ที่เราจะต้องรู้ทุกหมวดของธรรมเนี่ยจะต้องผ่านอริยสัจก่อน <c oughs> ฉะนั้นอริยสัจสีนี้จึงเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีเดียวว่าเป็นของที่ทุกคนจะต้องผ่านต้องรู้ถ้าไม่รู้นี้จะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ทีเดียวแน่นอนว่าคนไหนที่ไม่รู้แล้วเนี่ยไม่เข้าใจแล้วจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ เริยสสีจึงเป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่มีศูนย์รวมทั้งหมดก็คื อ, อทุกข์ควรกำหนดรู้เหตุของทุกข์ควรละเสียการดับทุกขควรทำให้แจ้งข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกควรทำให้เจริญ เขาเรียกว่าความรู้ทั้ง4อย่างนี้เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงความพ้นทุก์ได้ถ้าเกิดเราไม่รู้และการรู้เหล่านี้เองทำให้เราเข้าถึงการพ้นทุก์ได้จริงก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้จักสิ่งนี้ดีขึ้นมาวันนี้ก็คงจะแสดงธรรมเรื่อง อ, อริยสัจสี่ที่ที่ถูกต้องว่าเราจะรู้ได้อย่างไร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 ข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองกาบกรวะคูบาอาจารย์พาเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันวันนี้ซึ่งวันนี้ตมาได้เกิดหัวข้อว่าจะแสดงธรรมเรื่อง จัตุรายริศหรืออริศสี4ประการที่เราจะต้องรู้จักพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเราและเธอทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตมาช้านานเพราะไม่รู้ธรรมสี่ประการเราและเธอทั้งหลายเมื่อมารู้ธรรมสี่ประการนี้เอง จึงเป็นผู้พ้นไปดับทุกข์ดับโศกเสียได้หมดจากการเวียนว่ายตายเกิดอริยะสัจสีนี้จึงเป็นหัวใจที่เดียวบางคนกอ็อาจจะเข้าใจว่ า, าหมวดทมอื่นๆเช่นว่ามรรคแปดก็ดีโพธิปัจจะธรรมสามสิบเจ็ดก็มีสติปัฏฐานสี่ สมระทานสอิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็ดมักมีองค์ดก็สำคัญทั้งนั้นเลยทำไมต้องอรญยชะศีเนี่ยอ่สําคัญกว่าความจริงทําบวชใหญ่ๆ ห, หญ่ก็คือญริยีสามสินะ7ประการนี้รวมลงที่ญาชะศีเขาว่าได้คือคือเขาเรียกว่าใหญ่ไปลักษณะของแต่ละแผนกแต่ละความหมาย พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าบรรดาบททั้งหลายอริยสีประเสริฐสุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิลาข้าธรรมประเสริฐสุดบรรดาหนทางทั้งหลายมักมีองแปดประเสริฐสุดบรรดาเ็าเรียกว่าบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุด อันนี้พูดถึงว่าความเป็นสุดๆเนี่ยจะต้องเห็นชัดเลยว่าความเป็นใหญ่ในเฉพาะด้านอ่าเฉพาะทางเฉพาะความเขาเรียกว่าอ่าความเน้นหนักไปทางไหนด้านไหนแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าโดยบทก็คือเยสสีอ่าว่าโดยทางก็คือมรรคมีองแปดว่าโดยทามก็คือเวลาคธรรม อันนี้ก็คือว่าว่าโดยหมวดของของของแต่ละประเภทก็หมวดนั้นๆก็จะเป็นใหญ่ในเฉพาะของหมวดนั้นนั้นทีนี้เรามารู้จากอริยสีรู้ได้อย่างไรจะเข้าใจได้อย่างไรท่านกล่าวว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ฟังธรรมของพระยาเจ้าทั้งหลายไม่นั่งใกล้สัตบุุษย่อมไม่รู้ความจริงว่า ทุกเป็นอย่างนี้เหตุของทุกเป็นอย่างนี้การดับทุกเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ว่าเมื่อไม่ได้สดับแล้วเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ใกล้กสัตตบรุษทั้งหลายจะรู้จะเห็นจะเข้าใจทำสี่อย่างนี้โดยไม่มีเหตุผลอื่นหา เ, าเขาเรียกว่าหาเป็นไปได้ไหมจะเป็นไปไม่ได้เลยว่า ความรู้ความเห็นเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นได้นั่นไม่ใช่ฐานะาเป็นอาถรรพที่ที่เป็นไปไม่ได้พุทธองค์นี้เป็นผู้เขาเรียกว่าตัดสรู้เองโดยชอบก็คือเป็นผู้รู้ผู้เห็นขึ้นมาบุคคลแรกด้วยบารมีของท่านเองอันนั้นเป็นได้ที่ว่าพุทธองค์ทรงคนพบเป็นคุณแรกบคนแรกบุคคลแรกแล้วก็ บ, บุคคลที่รู้ตามเห็นตามนั้นก็คือ อริยะสงสารวกทั้งหลายทําให้เรารู้เห็นตามรู้ตามเห็นตามขึ้นมาเราจะเห็นว่าการที่จะรู้ในสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะรู้โดยไม่มีเหตุก็ไม่ใช่ว่าจะรู้โดยเดือง่ายต้องมีเหตุปัจจัยของการรู้นั้นซึ่งแน่นอนว่าวิสัยของคนเราที่จะรู้โดยเองเนี่ย ก็นอกจากผูดเจ้าเท่านั้นแต่ไม่ใช่ฐานะาของคนทั่วไปจะรู้ได้เองจึงเป็นว่าความรู้นี้สูงสุดทีเดียวของการรู้พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าการรู้แจ้งในเยสัตเนี่ยโดยมีเ็าเรียกว่าปฏิวัติสมีอาการส2บสองไม่หมดจ์เพียงใดแล้วเราจะไม่ปริญาณตนว่าได้ตัดสรู้พร้อมทั้งมนุษย์และเทวดาพร้อมทั้งมารพรมทั้งหลาย ว่ า, เ, าเราได้ตัดสรูแล้วตราบใดความรู้ยังไม่หมดจดเพียงพอไม่ไ ม, ไม่ไม่มี เ, เขาเรียกไม่ปฏิวัติสามมีอาการสามสองยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วจะไม่ปฏิญาณตนแต่เมื่อหมดจดเพียงใดแล้วปฏิญาณตนว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราตัดสรูอันนี้ก็พทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าการตัดสรุของท่านก็อยู่ที่ว่าการ ทบทวนของการรู้แจ้งในยศศัตรูเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิวัตสามปฏิวัติแปลว่าการวนรอบวนรอบๆอบสมรอบเนีปฏิวัตสามหมายถึงว่าวนรอบเขาเรียกว่าสามเที่ยวนั่นเองพิจารณาถึงสามเที่ยวสามเที่ยวอะไรเพราะพิจารณายศศัตรูเนี่ยสี่ข้อในสามเที่ยวแต่ละเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิวัติ 3เที่ยวก็คือปฏิวัติสามแต่แต่ละเที่ยวนี้มีสี่ข้อสามเที่ยวแต่สี่ข้อสามสี่สิบสองก็เรียกสามสี่มีปฏิวัติสามมีอาการสิบสองก็เลยเป็นคำพูดมาจากตรงนี้อสี่ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าวนสามเที่ยวหมดจดแล้วก็คือทบทวนอยู่สามรอบว่าแน่นอนไหมแน่นอนไหม ท่านในในพุทธศาสนาเนี่ยจะจะแน่นอนอะไรต้องพิจารณาถึงสามรอบสามเที่ยวอย่างหมดจดเราจะเห็นไหมว่าแม้แต่ละรับศีลเนี่ยพูดทางธรรมังทางคางเนี่ยต้องสามรอบนะเขาเรียกว่าพุทธิทาทาทาทาาตา ต, ต, ต, ติอ่าคือจะต้องมีสามรอบเสมอเพราะว่าความย้ําเตือนหรือความแน่นอนว่าสิ่งที่รู้สิ่งที่ปฏิยานตนนั้นเป็นอันไม่ผิดเพี้ยนแล้วดังนั้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาถึงอายศาสตร์เนี่ยถึงสามรอบเขาเรียก ว, ว่าปฏิวัติส แต่อาการพิจารณาแต่ละข้อเนี่ยครั้งหนึ่งในสี่รอบหนึ่งในสี่ข้อก็คือสี่ข้อก็คือหนึ่งทุกทุกนี่ควรอะไรควรกรําหนดรู้แล้วเมื่อกําหนดรู้แล้วท่านได้รู้แล้วเมื่อกําหนดรู้ทุกทั้งปวงว่านี่ทุกอเมื่อกําหนดรู้แล้วย่อมรู้ทุกนั้นตามเป็นจริงขึ้นมาเมื่อกําหนดรู้ย่อมรู้ทุกนั้นแล้วอ่า เราตาถาคตรู้แล้วในในทุกนั้น เ, เหตุของทุกนั้นคือตัญหาทั้งหลายควรละเสียเราได้ละแล้วอันนี้หมายถึงพทธองค์ทรงปฏิญาณตนนะว่าควรละเนี่ยก็ละแล้วควรรู้ น, นี่ก็ทุกกาหนดรู้ก็รู้แล้วงั้นเถอะแล้วก็การดับทุกนั้นควรทําให้แจ้งก็คือนิโรธเราได้ทําให้แจ้งแล้วนี่เเรียกว่าควรทําให้แจ้งแต่ก็แจ้งแล้ว สุดท้ายก็คือมรคามินีปฏิปทาที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์ดควรทำให้เจริญเราได้ทำให้เจริญแล้วกหมายถึงว่าพิจารณาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอาการส2บสองจะคื อ, อพิจารณาสี่ข้อสี่สี่แล้วก็สามเที่ยวก็คือสอิบสองสี่สา4สิสองนั่นเองอันนี้ในในนที่นี้เนี่ยจะกล่าวถึงว่า อายะสัตตีพูดถึงพุทธองค์ทรงปฏิ ญ, ญาณตนว่าได้ตัดสรู้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีการปฏิญาณตนขึ้นมาด้วยการรู้แจ้งอายะสัตตีไม่หมดจดเพียงใดยังไม่ปฏิญาณตนเมื่อหมดจดแล้วเนี่ยท่านก็ปฏิญาณตนว่าได้ตัดสรู้แล้วอันนี้ท่านตอนที่ท่านแสดงปฐมเทศน า, าที่ธรรมจกกักรประวัตินสูตรเจวกล่าวถึงว่ า, าเขาเรียกว่า อวียสสีนี้ว่าไม่หมดจดเพียงใดแล้วจะไม่ตัดสรู้สมัยนั้นก็คือว่าพระอัญญาโกฏัญญาหรือปั จ, จัววะคีเนี่ยยังลังเลการาตัดสรู้ของพระเจ้าอยู่ว่าเอ๊ะพระเจ้าเนี่ยจะตัดสรู้จริงหรือไม่ในเมื่อพระเจ้านคลายความเพียรแล้วหลังจากที่ท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็มาเสวยพระกญาหารก็เหมือนกับวันละการกระทํานั้นแล้ว แล้วก็มาเสำรวยพระกาหารขึ้นมาเหมือนก็ว่าละแล้วะละการกระทำที่ทรมานหรือว่าการปประเพณตบะแล้วจะบรรลุธรรมได้อย่างไรก็เป็นที่สงสัยกังขาของปัญจวัคคีย์ก็คือนักบวชทั้งห้าพระองค์ก็เลยเอาคํานี้มากล่าวให้ฟังว่าความหมดจดของการตรัสรู้เนี่ยท่านมีแน่นอนก็เลยว่าได้สุดท้ายก็เลยจําเป็นจะต้องยอมรับฟัง พระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวาาาว่าเราเคยได้กล่าวคํานี้ไหมพระเจ้าขีก็ทบทวนดูว่าเออเขไม่ได้กล่าวนดัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่เมื่อกล่าวนี้ก็ควรจะฟังดูก็ปรากฏว่าตั้งโสตประสาทที่จะรับฟังคําสอนพระเจ้าในก็คือปฐมเทศนาอย่างที่หลายคนก็คงกระจะได้ยินได้ฟังมาพอสมควรอันนี้จะพูดถึงว่าอริยสัจสีจึงเป็นหัวข้อยิ่งใหญ่ ที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้จริงก็คือว่าคนเราเกิดมาทั้งหมดนี้ก็คือข้อแรกก็คือทุกข์ทุกนี้ท่านกล่าวว่าอะไรคือทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจความร้องไห้ความปริเทวนาการความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น ความประจบเหมาะกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจความแห้งใจความคับแค้นใจความโศกเศร้าอาดูต่างๆทั้งหลายนั่นแหละคือเรียกว่าทุกข์ความทุกข์คือความบีบคั้นทางด้านจิตใจทำให้เราเนี่ยไม่ชื่นชอบในความทุกข์เหล่านั้นเป็นภาวะเสียดแทงเป็นภาวะที่บีบคั้นจิตใจของเรานี้ให้อ่า เขาเรียกว่าไม่เป็นที่สบายใจนนเองกก็คือความทุกข์ต่างๆก็คือเรามาดูแล้วความไม่สบายใจของคนเราก็ทั้งหมดก็คือว่าความคิดของคนเหานี้เองจะนั้นคนที่จะรู้ว่าความคิดนี้เป็นความทุกข์นี้คนนั้นจะต้องมีการาปฏิบัติธรรมก่อนก่อนอื่นว่าคนเราเนี่ยไม่ปฏิบัติธรรมเลยไม่เคยนั่งสมาธิเลยเนี่ยเราจะมารู้ว่า ความคิดของคนเรานี่เป็นความทุกข์นี่เขารู้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดเลยก็คือความคิดมาตลอดเราไม่เคยว่าไม่คิดนี่จะเป็นอย่างไรก็คือจิตเราเนี่ยปรุงแต่งในอารมณ์เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาจนถึงขณะนี้เนี่ยอารมณ์เหล่านั้นก็ยังมีอยู่ในตัวเราอยู่ อยู่ดีแต่เมื่อบุคคลนั้นที่จะมารู้ว่าความคิดคือความทุกนี้คนนั้นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานก่อนก็คือว่าเรามาปฏิบัติธรรมกรรมฐานคือการนั่งสมาธินี่เองการนั่งสมาธิของเราเนี่ยเรานั่งสมาธิไปอานที่แรก <c oughs> าการทำสมาธิคืออะไรก่อน การทำสมาธิของเราก็คือว่าเราต้องการให้จิตของเราเน้นนิ่งแล้วเมื่อก่อนไม่นิ่งเรอไม่นิ่งเราจะยังยังไม่รู้จักนิ่งว่านิ่งคืออะไรนิ่งนั่นเองก็คือสมาธินั่นเองแต่ว่าการก่อนที่เราจะนิ่งนั้นเราไม่เคยนิ่งมาก่อนเพราะว่าเกิดมาเนี่ยเราก็เคยคิดอยู่อย่างนี้มาตลอด เราได้ล่างนี้มาจากบิดามารดาเราได้หูตามาพร้อมเสร็จเราก็เลยใช้หูตาเหล่านี้ทํางานเกาะเกี่ยวอารมณ์ของโลกนี้มาตลอดทําให้เราเนี่ยรู้จักแต่ว่าโรคนี้โลกนี้มีอะไรเราก็เอาจิตเราไปผูกพันสิ่งนั้นดูนตลอดก็กลายเป็นอารมณ์ของจิตมาทุกวันนี้ <c oughs> ฉะนั้นอารมณ์ของเราทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าอารมณ์ของการที่เราปล่อยจิตปล่อยใจไปสู่อารมณ์เพราะเกิดมาเรามีพร้อมอยู่แล้วพร้อมก็หมายถึงเรามีกายมีมีร่างกายนี้แล้วก็มีใจนี้แล้วก็มีอายตนะขันธาตุอายตน ะ, ะมีขันห้ามีธาตุสี่ประชุมลงเป็นร่างกายนี้มีอายตนะ ก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจเป็นของที่เอื้ออํานวยให้เราเนี่ยใช้งานเราถูกธรรมชาติเนี่ยให้มาอย่างนี้เลยก็เลยใช้ไปตามนี้ก็เลยเป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นไปตามกลไกอันนี้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าโลกความเป็นโลกแล้วก็เป็นความทุกข์เราจะต้องกําหนดรู้ว่าโลกนี้เป็นความทุกข์อย่างไรเพราะว่า พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าถ้าโลกนี้มีความทุกข์ดูทายเดียวไม่มีความสุขแล้วใสสัตว์ทั้งหลายก็คงจะเบื่อหน่ายโลกทุกคนต้องเบื่อแต่โลกนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่มีทุกข์ก็จริงแต่ก็มีความสุขอยูอ่ไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ด้านเดียวมีความสุขด้วย กลายเป็นว่ามีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละอ่าก็เลยว่ามีความสุขอยู่นั่นเองสัตว์ทั้งหลายก็เลยติดในความสุขของโลกนี้อ่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นเองแต่ความสุขนั้นมีแน่นอนเขาก็เลยว่าสแสวงหาความสุขนั่นแหละแต่ก็ได้ความทุกข์ตามมาติดติดซึ่งมีสุขที่ไหนความทุกข์ก็มีที่นั่น เมื่อสัตว์ทั้งหลายสแสวงหาความสุขอยู่ทุกข์ก็ไล่ติดตามเขาเหมือนเงาตามตัวทาให้เขาไล่เขาเหล่านั้นได้รับความทุกข์ตามนั้นไปเขาจึงมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะความสุขที่มีอยู่นั่นเองเป็นเหตุแต่เมื่อสัตว์ทั้งหลายกำหนดรู้ว่าสุขทุกนี้ก็ดีล้วนแล้วแต่ว่านำมาซึ่งทุกครั้งสิ้น ทุกทั้งหมดที่ตามมาก็เพราะความสุขของของโลกนี้เองเป็นเหตุทำให้เกิดรวมความแล้วทั้งสุขก็ดีทั้งทุกข์ก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าประชุมลงที่ความทุกข์คนที่เห็นอย่างนี้ได้เนี่ยคนนั้นจะต้องมีปัญญาพอสมควรที่จะต้องรู้ตรงนี้มีปัญญามีบารมีมีความกำหนดรู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราจะหนกรู้ว่าความเป็นทุกข์ตรงนี้มีได้อย่างไร ก็มีการประพฤติปฏิบัติหรือว่ามีการสร้างอุปนิสัยมาก่อนก่อนเขาเรียวกว่ามีบุเพนกะตะบุญญาตาก็คือการมีการกระทำบุญไว้ในการก่อนในชาติแต่ปางก่อนมาที่เป็นเหตุเป็นอุปนิสัยที่พอจะรู้ว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไรหรือถ้าเราไม่มีเหตุปัจจัยมาม า, า ม, ม, ม, มามากเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ามากเท่าไหร่มีน้อยเราก็อาศัยผู้รู้ทั้งหลายก็คือการ รดับปรับฟังคําสอนก็คือหนึ่งได้ฟังธรรมของอคบสัจธรรมหลุดแล้วก็ฟังธรรมของท่านทําใจตามนั้นแล้วก็รู้เห็นตามธรรมที่ท่านกล่าวนั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะเข้าถึงเป็นผู้มีวาสนาบารมีขึ้นมาก็คือรู้แจ้งของอริยสัจ4ี่หรือรู้แจ้งของความาเป็นไปต่างๆของความสอนพระเจ้าทั้งหมดได้ ก็คือว่าเมื่อเราไม่มีวาสนาบารมีมามากพอเราจะมีได้อย่างไรในในในในเมื่อในเมื่อกล่าวว่าคนที่จะมารู้เรื่องนี้ก็คือคนที่มีบุญบารมีวาสนาพอสมควรที่จะรู้ก็รู้ด้วยบารมีของตนที่สร้างสมมาแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่ได้สร้างสมมาหรือสร้างสมมาน้อยเขาจะมีสิทธิที่จะก้าวไปสู่การรู้ขึ้นมาได้ไหมก็มีได้ด้วยการหนึ่งเขาเรียกว่า คบสัตบุตรก็คือในภาษาในภาษาบาลีเขาเรียกว่าสัพพุริสสังเสวะการคบหาสัตบุตรสัพพุลิสแปลว่าสัตบุตรนั่นเองสังเสวะแปลว่าคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นผู้รู้ก็คือการฟังธรรมนี่เอง2ก็คือสัทธมัสสวาณะ สัทธ ม, มัตสวาะก็หมายถึงได้ฟังธรรมของท่านได้คําฟังคําสอนของท่าน 3. ก็คือมีการใส่ใจในอุบายธรรมของท่านที่ท่านแสดงไว้ก็เรียกว่าโยนิโสมนัสิกาตเอาธรรมของท่านที่ท่านแสดงและใส่ใจไปตามนั้นด้วยอุบายด้วยด้วยอุบายด้วยอุบายธรรมของท่านที่ท่านสอนเขาเรียกว่าโยนิโสมนัสิการคือทําไว้ในใจนั่นเอง ข้อที่สี่ก็คือรำมนุธรรมปฏิปติคือเป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้เป็นผลไปตามกําลังของตัวเองที่ปฏิบัติแล้วมีผลอะไรออกมาคนนั้นก็จะเริ่มเป็นผู้มีบุญเท่ากับคนที่มีสร้างวาสนามาการก่อนได้เราก็จะเป็นผู้มีวาสนาขึ้นมาในทันทีโดยการกระทําด้วยเหตุนี้มิได้ไหมายถึงว่าคนไม่มีก็จะไม่มีกันตลอดและจะมีได้อย่างไร การอุบัติขึ้นของการมีนั้นจะมีได้ตรงไหนอันนี้ก็ต้องมีเหตุขึ้นมาก็คือการอย่าง4อย่างนี้เองก็คือ 1. ครคบสตัต บ, บุรุษ 2. ฟังธรรมของท่าน 3. ทํทำใจตามนั้น 4. ก็คือปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะของตัวเองที่จะมีผลออกมาอ่าอันนี้ก็เรียกว่ามี4อย่างที่จะเข้าไปสู่การมีสัมมาทิฏฐิหรือการรู้อริยแจ้งการรู้แจ้งอริยสัจสนั่นเอง อันนี้พูดถึงว่าพื้นฐานของการที่จะเข้าใจในคำสอนทีนี้ขอย้อนไปสู่ว่าการที่เราจะกำหนดรู้ยัต ส, สีว่านี่ทุกนี่เหตุของทุกนี่การดับทุกเนี่ยก็อย่างที่กล่าวแล้วนั่นเองว่าทุกนี้ก็คือควรกำหนดรู้ก็คือว่ากำหนดรู้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของคนเราเนี่ยว่าเป็นทุกได้อย่างไรอ่าเป็นทุกได้ยังไง เราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ร่างกายนี้วันเกิดของเรานั้นก็เป็นการอุบัติขึ้นมาได้ลืมตาได้เห็นโลกนี้ด้วยด้วยการอุบัติขึ้นมาโผล่มาโลกนี้ก็หมายถึงว่าเราเกิดมาเราก็พบว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกิดมาในโลกของมนุษย์แรกๆเราไม่รู้จักใครเลยก็รู้จักคนใกล้ที่สุดก็คือแม่ ฉะนั้นแม่เนี่ยจึงเป็นคำแรกของของลูกที่พูดขึ้นมาก็คือแม่เพราะเป็นคนที่ใกล้ที่สุดก็คือร้องจากนั้นก็คือบิดามารดาพี่น้ อ, พนองอพี่ป้าน้าอาต่างๆญาติพี่น้องของตัวเองต่อมาก็มีเพื่อนมีฝูงมีสามีภรรยาในที่สุดก็คือไว้เล่าไว้เรียนก็มีเพื่อนมีฝูงไว้แต่งงานกันก็มีสามีภรรยากันในที่สุดเราก็จะเป็นครอบครัวใหม่ แล้วก็เอื้ออำนวยให้บุคคลอื่นมาเกิดกับเราอีกกลายเป็นว่าค้ำจุนซึ่งกันและกันไปก็กลายเป็ น, นกลไกของการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเราเกิดมาเนี่ยเราเห็นว่าชีวิตของเราเนี่มีทุกข์มากนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าทุกข์ด้านเดียวเนี่ยคนเราก็คงจะออกโลกคนหมด แต่มันมีสุขอยู่คนก็เลยติดในความสุขของโลกมีมากมายก็เรียกว่าการมาคุณทั้งห้ากามาคุณทั้งห้านี่เองจึงเป็นความทุกข์เออเป็นความสุขของคนเราอยู่ในโลกนี้ก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นผู้สวยทั้งห้านั้นเขาเรียกว่าการ ม, มาคุณห้า การมคุณห้านี้ก็รวมถึงความว่าห้าอย่างนี้ตั้งอยู่ในหญิงและชายด้วยรูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็ไม่เท่ากับว่าเพศตรง ข, าข้ามเขาเรียกว่าเพศตรงข้ามนั่นเองเป็นที่ตั้งแห่งกามคุณห้านั้นด้วยแล้วก็อย่างอื่นก็คือรอบๆตัวเราทั้งหมดก็คือเป็นการมคุณทั้งหมดรวมความถึงความเป็นหญิงเป็นชายก็รวมอยู่ในกามคุณ แต่ที่ไม่ใช่หญิงใช้ชายก็รวมถึงกามาคุณเช่นว่าดูหนังฟังเพลงหรือเราจะไปสนุกสนานต่างๆด้วยความสุขในรูปอื่นๆก็คือกามาคุณอยู่ดีฉะนั้นคำว่าการความหมายของกามาคุณหนี้จึงครอบคุมกว้างกว่าที่เราคิดทั่วไปการที่เราให้ให้ความหมายว่ากามาคุณหก็คือหญิงและชายเท่านั้นอันนั้นแคบไปนะความจริงกามคุณห้านี้รูปรสกลิ่นเสียงที่พอใจ ทั้งหมดรวมความถึงความเป็นหญิงเป็นชายเขาเรียกว่ากา ม, มาคุณห้าทั้งหมดเลยห้าห้านี่หมายถึงว่าห้าอย่างแล้วก็ครอบคุมก็กว้างมากนั้นกามเนี่ยเขาเรียกว่ากา ม, มาคุณก็คือความเป็นหญิงเป็นชายนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็มีเขาเรียกว่าวัตถุการกับกิเลสการ หญิงและชายนั้นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุกามแต่ความกำหนัดของหญิงและชายนั้นเป็นกิเลสของกามฉะนั้นวัตถุกามกับกิเลสกามกิเลสกามน่ยจึงแยกกันหญิงและชายนั้นเป็นวัตถุกามแต่ความกำหนัดยินดีในหญิงและชายนั้นเป็นกิเลสกามถ้าหญิงและชายนั้นทําลายกิเลสกามเสียหญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเอง คำว่ากามก็หมดไปหญิงและชายไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดของหญิงและชายนั่นเองนั่นแหละเป็นกามของบุคคลอันนี้เราจะเห็นว่าความเป็นกามก็คือความกำหนัดยินดีถ้าความกำหนัดยินดีนั้นออกปเสียได้หญ mm. ิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองไม่ใช่กามก็พนะูดถึงว่าที่เป็นกามก็คือกิเลสกามนั่นเอง อันนี้ก็หมายถึงว่าเราเกิดมาเนี่ยก็คือทุกทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยอยู่ในลักษณะของกามภพกามภพซึ่งเป็นภพภูมิของกามซึ่งเป็นภพภูมิของกามที่ท่องเที่ยวอยู่ในกาาวจร กามาวาจรก็คือกามาก็คือกามวัจจอนแปลว่าท่องเที่ยวก็คือว่าพบเนี่ยมีสามพบหนึ่งพบกามะพบก็คือเรานี่เองกับเรามนุษย์กับเทวดานี่เขาเรียกว่ากามะพบเราเรามนุษย์กับเทวดานี่เขาเรียกว่ากามะพบแล้วก็รูปภพก็คือ ถ้าเราทําสมาธิขึ้นไปเขาเรียกว่ารูปประชานก็กลายเป็นรูปประพบแล้วก็ทําถึงสมาธิเขาเรียกว่าสูงขึ้นไปเป็นอรูปประชานเขาเรียกว่าอรูปประพบซึ่งเป็นภพภูมิที่ภพภูมิภพภูมิที่จะมารู้ธรรมก็คือสามภพกามาพบรูปประพบอรูปประพบแต่เราเนี่ยเกิดเป็นกามรมาพบก็คือ มนุษย์กับเทวดาเป็นกามะพภฉะนั้นมนุษย์กับเทวด า, เ, วดาเนี่ยเป็นโลกของกามจริงๆมนุษย์ก็กามแบบมนุษย์เทวดาก็คือกามแบบเทวดาซึ่งเราเนี่ยเราเกิดมาก็ถูกครอบงาําก็คือความทุกข์หลงมดทั้งหมดนี้ก็มาจากกามนี่เองเป็นส่วนใหญ่เขาเรียกว่ากามะกา ม, มาพกะพภฉั้นความทุกข์ของคนเราที่ว่าเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ ลำเลงลำรีลำไหลลำพันทั้งหลายก็คือว่าเราเกิดมาเนี่ยสแสวงหากามกันก็มีการประสบกับความาสมหวังไม่สมหวังผิดผิดถูกหรือร้องไห้หัวเราะไปตามนั้นเศร้าโศกเสียใจก็ตามมาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ตามมาปรารถนาได้สิ่งนั้นมาแล้วก็สิ่งนั้นก็พัดภาคไปพัดภากไปพัดภาคจากสิ่งนั้นไปก็เศร้าโศก ได้มาก็เศร้าโศกไม่ได้ก็เสียใจนั่นเองร้องให้ลำไรลําพันธ์อยู่ในทุกนี้ทั้งหมดในในในโลกนี้มากมายก็เพราะว่าความทุกข์ของคนเหล่านี้เองก็คือมาจากาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพอเกิดมามันมีอย่างนี้ก็ทุกข์นั่นเองความเกิดทําไมให้เรามาเจออย่างนี้แล้วความเกิดก็ยังทําให้เกิดความแก่ ความแก่แล้วก็ยังทั้งความตายตายแล้วยังไม่พอเป็นกิเลสที่หมุนเวียนมาอยู่อย่างนี้อีกอันนี้เขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดความทุกนี้จึงเป็นความทุกข์ในเยสัสตร์ที่เราจะต้องรู้ก็คือทุกขที่กล่าวมานี้ก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกความร้องไห้ความล่ำไหลลำพันธ์ต่างๆเป็นทุกความประสบกับสิ่งใดไม่ไม่ไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุก ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งที่เรารักทั้งหลายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงชื่นชอบทั้งหลายก็เป็นทุกข์เหมือนกัน อ, อันนี้เขาเรียกว่าความทุกข์ที่ควรกําหนดรู้พระพุทธองค์ก็ทรงกําหนดรู้แล้วเหตุของทุกข์ทั้งหมดก็คือตัณหาตัณหาตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความทะยานอยาก ความวิ่งไปความไหลไปความท่องเที่ยวไปของจิตเราเราจะเห็นไหมว่าจิตเราเนี่ยออกไปคิดในอารมณ์ต่างๆผูกพันในอารมณ์ต่างๆ ต, ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเหมือนกระแสน้ำอันใหญ่ด้า น, นกระแสน้ำที่ไหลไปไม่เหือดแห้งก็เหมือนกระแสจิตที่เราไหลไปเหมือนกระแสน้ำใหญ่จริงๆ เราเห็นไหมว่าจิตเรานั่งเนี่ยมันไหลตลอดเลยไปโน่นไปนี่ไปโน่นเราจะขวางเราจะหักห้ามเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำเชี่ยวแล้วเรือลําเล็กเราไปขวางมันขวางไม่อยู่แล้วก็คอยจะพังเพราะอะไรเพราะว่าน้ำนี่เชี่ยวห เ, เหลือเกินเรือเราเราก็ลําเล็กเราจะเห็นไหมว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยเรามาฝึกหัดเนี่ย เรามาปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเป็นสมาธิเนี่ยจึงเป็นการฝึกฝืนใจอย่างมหาศาลทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับความสงบเย็นเลยเพราะจิตไม่ยอมเราจะขัดขวางเขาเท่าไหร่เท่าไหร่จิตนั้นก็กลายเป็นว่าจิตไม่ยอมอ่าไม่ไม่ไม่ยับเออไม่สามารถที่จะยับยั้งจิตได้น่ะส่วนมากแล้วนักปฏิบัติทำที่ปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ยอมอ่าจิตไม่ยอมสงบ ทำไมไม่ยอมสงบเพราะว่าเขาเคยไปเราจะไปขวางเส้นทางเขาเขายอมไม่ยอมไม่ยอมแน่นอนอความพ่ายแพ้ของเราก็คือเราสู้เขาไม่ได้ก็คือความไปของจิตนั้นมากเกินไปแล้วก็เวลาทำสมาธิเนี่ยเมื่อทำไม่ไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามพยายามแล้วพยายามอีกหลายครั้งที่เราทำและพ่ายแพ้ แล้วก็เมื่อบุคคลนั้นมีความมานะมีความขยันมีความอดทนการกระทําของคนนั้นอยู่ต่อเนื่องโดยยากก็ทาลาบากก็เอาหวังว่าตัวเองอยากจะรู้อยากจะได้อยากจะเห็นก็ทาไปทาไปในที่สุดก็ได้ได้สมาธิขึ้นมาได้จริงๆฉะนั้นแสดงว่าสมาธิที่เราทาขึ้นมาเนี่ยจะต้องได้โดยวิธีนี้ก็คื อ, อต้องใช้ความเพียรต่อสู้อย่างเดียว เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาความยับยั้งของจิตนี้ให้หยุดเองโดยธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่ได้ห้ามเลยเนี่ยเรารอคอยถึงว่าเวลาที่จะให้จิตเป็นสมาธิเองคงมีไม่ได้แน่นอนอมีไม่ได้แน่นอนคงจะไม่มีวี่แววที่จะเป็นดังนั้นได้ก็มีวิธีเดียวก็คือช่วงชิงยื้อแย่งกันระหว่างเรากับอารมณ์ของจิต แต่การยืดแย่งการแย่งชิงให้จิตเราเป็นเป็นเป็นสมาธิขึ้นมปนั้นก็ต้องมีความยากลําบากมากมายแต่เมื่อเราเพียรพยายามให้มากขึ้นเราก็ประสบความสําเร็จในการทําให้จิตเราเป็นสมาธิได้เมื่อเป็นสมาธิจิตเราก็ตั้งมั่นเป็นความสุขความสงบแต่ก็ไม่ได้ยุติลงแค่นั้นได้แล้วได้เลยก็ไม่ใช่ได้แล้ววันหลังมานั่งไม่ได้อีกแล้ว ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทําทุกครั้งก็แค่แก้แก้ไขสถานการณ์ทุกครั้งแต่คําครั้งใหม่ก็เหมือนเราเริ่มต้นใหม่เราจะเห็นไหมว่าเวลาทําสมาธิเนี่ยทาใหม่เริ่มต้นอีกแล้วก็มาต่อสู้กันอีกบางครั้งได้แล้วก็หลุดมือไปหลุดกว่าจะได้มาใหม่ก็หายตั้งนานกว่าจะได้ใหม่ก็หลุดใหม่อีกก็กลายเป็นว่าการกระทํำของเราเนี่ยแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเเนี่ยจนเป็นที่ความ ยากลำบากแล้วก็ไม่สาสมารถที่ว่าเมื่อเรามีสมาธิได้แล้วจะรักษาสมาธินั้นได้ง่ายอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ยากลำบากเหลือเกินแต่ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราจาเป็นต้องทาสมาธิอย่างนี้ขึ้นมาท้งทงที่ยากก็ต้องทำแต่การทำของเราเนี่ยทำทีแรกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราจะยังดูว่าจิตของเราเนี่ย ไม่เคยมีการเป็นสมาธิมาก่อนตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ไม่เคยทำสมาธิสมาธิเราก็ไม่เคยได้ได้มีขึ้นมาเราจึงไม่รู้จักว่าสมาธินั้นมีผลออกมาอย่างไรเมื่อเราได้ใช้ความเพียรของเราทุ่มเทลงไปเราอยากจะรู้จักสมาธินั่นเองเมื่อเราทำความเพียรมากก็รู้จักขึ้นมาโดยการที่สมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นในเรา ได้เราเองก็รัรบรู้ว่าโอ้สมาธิเนี่ยก็คือจิตที่นิ่งเนี่ยมีความสุขมากเราจะต้องรู้ความสุขในที่ในในลักษณะของจิตที่มีความทุกข์อยู่ให้ได้เราจะหาความทุกข์ของมันนั่นเองว่าคนเราเนี่ยมีทุกตรงไหนเราจะหาได้ด้วยการที่ว่าจะต้องมีความสุขขึ้นมาก่อนแต่ความสุขนั้นเนี่ยจะต้องเป็นความสุขที่ในตัวมันเอง เมื่อก่อนเราอาศัยความสุขข้างนอกตัวเขาเรียกว่าอิงอาศัยเช่นตาอิงอาศัยรูปสิ่งที่เห็นสหูอิงอาศัยเสียงที่ได้รับฟังแต่ว่าความสุขอย่างนั้นเรารู้จักอยู่แล้วนั่นเขาเรียกว่าความสุขของกามคุณทั้งห้าะจะมุกได้หรืกลิ่นดิ้นได้ลดกายถูกต้องสัมผัสแต่ความสุขในตัวของมันเองที่ไม่ไม่ใช่ความสุขของกามูลห้นี้เรายังไม่รู้จัก เราจะรู้จักสมาธิหรือความสุขตรงนี้ก็คือการทำสมาธินั่นเองเวลาเราทำสมาธิขึ้นมาเนี่ยความสุขเหล่านี้เราก็จะได้รับขึ้นมาเราก็ได้รับความสุขจริงๆว่าอ๋อสุขแท้จริงเนี่ยนอกเหนือจากสุขกรรมมงคลห้าแล้วเรายังมีความสุขชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือสุขในสมาธิสุขในสมาธิ เมื่อเราทําไปไปทําไปทําไปความสุขในสมาธิเนี่ยเราก็รับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อบ่อยขึ้นมามากเท่าใดความละเอียดของจิตใจของเราก็จะละเอียดขึ้นเพราะว่าสบวยความสุขมากขึ้นเท่าใหร แ, แรกๆเนี่ยเราสังเกตไหมว่าตอนที่เรานั่งไม่นั่งสมาธิเลยเนี่ยเวลาเราจิตเราคิดดีกับคิดไม่ดีเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเวลาคิดดีเนี่ยมีความสุขนะ เออมันคิดดีความสุขของการามมคุณก็สุขอยู่แล้วว่างั้นเถอะความจิตจุกสุขของกรมมคุณนี้เราก็ได้รับความสุขอยู่แต่ความสุขนี้เรารู้จักอยู่แล้วแต่ความสุขชนิดหนึ่งเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าทำความดีแล้วมีความสุขเช่นว่าเราให้ทานเช่นว่าเราเกื้อกูลใครหรือทำดีอะไรในสังคมเนี่ยทำแล้วนึกแล้วสบายใจ อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ใช่ไม่ใช่กามาคุณแต่เป็นความสุขที่เขาเรียกว่าเป็นกุศลอ่าฉะนั้นกรมความสุขในกรรมคุณก็มีความสุขในกุศลกุศ ล, ลก็คือเป็นฝ่ายที่บุญนะฉะนั้นการมคุณเนี่ยเป็นรูปรสกลิ่นเสียงที่ที่ที่ที่เล่าร้อนสุขแต่บนพื้นฐานของความเล่าร้อน อ่สุขสุขอยู่บนความเล่าร้อนของใจแต่กุศลเนี่ยเป็นความสุขของใจชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าจิตฝ่ายกุศลแต่ว่าจิตฝ่ายอกุศลคือคิดไม่ดีนี่รู้สึกว่าเราไม่ไม่สบายใจก็คือความทุกข์อันนี้เราจะรู้จักขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆนะถ้าเกิดว่าเราทําสมาธินะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ทําสมาธิเลยเรารู้ว่าความสุขก็คือการมาคุณทั้งห้าอรมรสกลิ่นเสียง แต่ตอนหลังมาเนี่ยเราทาสมาธิเราเราเราเร า, เ ร, าเริ่มทําสมาธิเนี่ยเราแรกแก่อนหอังก่อนที่เราจิตเราจะสงบเนี่ยเราทุกสึกว่าคิดดีนี่รู้สึกว่ามีความสุขคิดไม่ดีรู้สึกว่ามีความทุกข์อยู่แต่เมื่อเราทําสมาธิมากเข้ามากเข้ามากเข้าเราจะเห็นว่าคิดดีนี่ก็ทุกคิดไม่ดีนี่ก็ทุกคิดไม่ดีนี่ทุกแน่นอนอยู่แล้วแต่กลับว่าคิดดีเนี่ย แทนที่จะสุขแต่มันก็คือทุกข์นั่นเองเพราะอะไรเพราะความคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคิดดีหรือไม่ดีความคิดทั้งสองนี้ทำให้ใจให้เราไม่สงบเลยใจเราไม่ได้รับความสงบเลยเพราะว่าความคิดไม่ดีนี้ก็คือบาปนี่นี้ทุกข์แล้วอันนี้ทุกข์อยู่แล้วและความคิดที่ดีนี้ก็กลายเป็นว่าทุกข์เหมือนกันเพราะจิตไม่สงบ ทางที่ดีแล้วเนี่ยความไม่คิดอันนั้นแหละคือความสุขที่สุดก็คือความที่จิตนิ่งเป็นสมาธิลงไปเราจะเห็นไหมว่าแรกๆเนี่ยเราสุขที่กามาคุณถือว่าสุขประจำประจาของชีวิตของแต่ละคนเ้าเรียกสุขแบบโลกโลกก็คือสุขแบบโลกรีก็คือสุขของกรรมาคุณต่อมาเราเห็นว่าความสุขของกามาคุณเนี่ย ยังมีความทุกข์อยู่สุขแท้ๆจริงก็คือสุขในกุศลฝ่ายทำดีนี่มีความสุขกว่าต่อมาเนี่ยเรามาทำสมาธิขึ้นชื่อว่ากุศลนี้ก็ยังทุกข์อยู่เราจะเห็นไหมความละเอียดของเราเนี่ยจะมีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความคิดทั้งหมดเนี่ยรวมความแล้วคิดดีก็ไม่ดีคิดไม่ดีก็ไม่ดีล้วนแล้วแต่ไม่สงบทั้งสิน้น ทางที่ดีเนี่ยก็คือความไม่มีอารมณ์อะไรเลยๆ น, น, น, ยนั่นแหละเขาเรียกว่าความสุขของคนเหล่าที่แท้จริงถ้าคนไหนรู้อย่างนี้เนี่ยชื่อว่ากําหนดรู้ทุกตามลําดับลําดับฐานะของสติปัญญาฉะนั้นความทุกข์เนี่ยเที่ยวบอกว่าความทุกข์ควรกําหนดรู้ควรความทุกข์กำหนดควรกําหนดรู้เนี่ยรู้ได้ยากจริงๆ ฉะนั้นเป็นไปได้ยากเลยว่าคนหลายคนที่อยู่ในโลกนี้ที่ได้ไม่ได้มาฝึกฝนอบรมสมาธิเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวเองว่าเขาทุกข์อะไรเขาก็บอกว่ามีความสุกสนานอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นจะทุกข์อะไรไม่เห็นเดือดร้อนอะไรมีกินมีใช้มีอยู่สนุกสนานไปไม่จำเป็นจะต้องมาเข้าวัดอะไรเพราะอะไรเขาหยาบเกินไปเขาถึงได้ว่าไม่รู้ว่าความจริงนั้นคือทุกข์ แต่ทําไมคนเราเนี่ยมาเข้าวัดเข้าว่าบางครั้งก็มาเช่คนแก่คนอะไรคนหนุ่มคนสาวนี่เพราะคนเหล่านี้ละเอียดขึ้นคําว่าทุกข์เนี่ยใจคนเราก็เลยสัมผัสเลยต่างกันตรงที่ว่าคนอื่นเขาก็ทุกแต่เขาไม่รู้จักทุกก็เลยว่าดูเหมือนสุขไปความทุกข์นั่นคือความสุขไปแต่คนอื่นเนี่ยความสุขก็ช่างความทุกข์ก็ช่างเม้าลวงก็คือความทุกข์หมดคนเหล่านี้เขาเรียกว่าละเอียดขึ้น หรือว่าสติปัญญาละเอียดกว่าคนเหล่านั้นจึงเป็นคนประเภทน้อยที่เข้ามาในวัด ก, ก็เราจะเห็นว่าคนที่เข้าวัดก็คือคนที่มีสติปัญญาดีขึ้นกว่าคนเหล่านั้นนี่คือความต่างกันระหว่างคนที่ไม่ปฏิบัติกับคนปฏิบัติทำไมจิตใจเขาต่างกันเพราะความละเอียดนั้นความละเอียดเหล่านี้เองจึงเป็นที่มาของการ คัดแยกสรรคัดสรรของอการเป็นคัดแยกหรือการคัดสรรของบุคคลแต่และอย่างนี้ให้แตกต่างกันอันนี้เราจะเห็นว่าหลายคนที่เข้าวัดเข้าวามาเนี่ยแสดงว่าะละเอียดกว่าคนเหล่านั้นแต่ก็มากมายที่อยู่ข้างนอกและนี่เราก็ภูมิใจนะว่าเรามานั่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ เ้าเรียกว่ า, าได้กําหนดรู้ทุกขมามากพอสมควรทําให้เรารู้ว่าโลกนี้คือความทุกข์แค่ทุกอย่างเดียวเนี่ยกำหนดรู้ขนาดนี้นะคือมันยากนะบางคนไม่ไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยความจริงทุกหมดเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าทุกควรกําหนดรู้พระพุทธองค์ทรงกําหนดรู้แล้วทุกเหตุของทุ ก, ก็คือตัณหา ท่นี้ว่าเมื่อทุกอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราเกิดมาทุกเนี่ยก็คือความคิดของคนเหล่านี้เป็นทุกข์หมดเลยก็คือตัณหาตัณหาสามการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั้นตัณหาสามนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ของคนเราก็คือว่ารวมความแล้วก็คือจิตไปในอารมณ์ต่างๆนี่แหละเหมือนกระแสน้ำนั่นแหละเขาเรียวกว่าตัณหา ตัรกะก็คือการไปของจิตทุกอย่างที่ไปในอารมณ์ต่างๆมากมายก่ายกองจนไหลไปไม่หยุดย่อนเหมือนอเหมือนกระแสน้ําทําให้การไหลของจิตนี้มีอยู่ตลอดทําให้จิตของเราเนี่ยไม่สงบระงับยับยังอารมณ์เหล่านั้นได้ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะ เป็นอิสรภาพของชีวิตของคนเรา ทีนี้ว่าคนเราเนี่ยพูดจริงๆพูดไปตามจริงแล้วเนี่ยคือไม่มีอิสระภาพไ ม, ไม่ไม่มีอิสระภาพตรงไหนไม่มีอิสระภาพของตัวตัวเองก็คือว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถจะเป็นผู้มีไทยไม่อิสระภาพก็คือเราถูกอำนาจ บางอย่างที่ครอบงำอยู่ซึ่งอํานาจเหล่านั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าเราอีกก็คืออํานาจแห่งตันหาทั้งสามนี่เองก็คือกิเลสนี่เองเราจะเห็นไหมว่าจิตของเราเนี่ยคุมไม่ได้เลยเราเป็นเจ้าของชีวิตเราอยากจะให้จิตของเราเนไปตามที่เราต้องการว่า ขณะนี้เนี่ย เ, เราได้ร่างกายนี้มาได้ใจนี้มาใจดวงนี้เนี่ยเราอยากจะให้ไปตามอำเภอใจของเราที่เราต้องการว่ า, าจิตเราเราอยากให้เจ้าเนี่ยเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็สั่งจิตนั้นไม่ให้คิดอะไรให้เป็นสมาธิเนี่ยเราสั่งได้ไหมล่ะ เราอยากจะให้คิดดีมันก็คิดจะชั่วคิดชั่วๆวให้เราคิดไม่ดีให้เราเราอยากจะให้หยุดเขาก็จะไปใหญ่เลยเราอยากจะให้นิ่งเขาก็ไม่นิ่งให้ไปซ้ายเขาก็จะไปขวาอย่างนี้ตลอดเลยเวลาเหมือนกับว่าเราไม่สามารถจะมีอำนาจอะไรเหนือเขาได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าไม่มีอิสรภาพ แทนที่ว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยเราสั่งอย่างไรน่าจะได้อย่างนั้นทําสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นทันทีบอกให้หยุดก็ต้องหยุดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเท่ากับว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตแต่อํานาจทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับกิเลสสามตัวเป็นผู้บัญชาการเท่ากับว่าเราเกิดมานี้เป็นผู้รับใช้ก็พูดตรงๆก็คือเป็นทาสนั่นเอง ธาตุอะไรธาตุอารมณ์ธาตุของอารมณ์เราสังเกตไหมว่าจิตของเราเนี่ยมันอยากได้อะไรเราวิ่งหาให้อยากได้อย่างนี้นะมันปลาลบเรานะอยากได้อันนี้นะเราก็พยายามหาให้อ้าวหาให้นะอยากกินอยากได้อยากอยู่อยากเป็นอยากมีอะไรเราหาให้ตลอดจนทุกวันนี้เนี่ยหาไปหามาหาให้จนได้ใจหา อยากจะได้ใหญ่เลยจนเราเนี่หาให้ไม่ไหวจะผิดจะถูกไม่สนใจว่าสิ่งนั้นจะได้มาโดยความถูกต้องหรือไม่จิตไม่สนใจขอว่าอยากได้ก็แล้วกันจนเราเนี่ยทำดีไม่ดีขึ้นม า, าทุาทาทาทจริตขึ้นมาหรือทำไม่ดีมาเพื่อจะสนองใจตัวเองให้มีความสุขก็เอาถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นโทษมากมาย ก็จำยอมที่จะต้องทบเพราะจิตนั่นเรียกร้องอากุสลลกรรมมากมายที่เกิดขึ้ น, ขนเขาเรียกว่าทุจริตสามก็คือกายทุจริตวาจาทุจริตมโนโทุจริตนั่นเองเป็นที่มาของทุจริตสามนี้ก็ตามมากรรมวิบากกรรมและวิบากของกรรมก็ตามมาเป็นผลมากมายเราเห็นไหมว่าเราเนี่ย เป็นผู้สนองงานของจิตตรงนี้ที่เขาเรียกร้องเราอยากได้อะไรอะ่ะ เ, เมื่อก่อนเราเป็นเด็กๆเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ของเล่นอา้าวก็ป่าลบอยากจะได้ก็ลบเล้าแม่พ่ อ, อบิดามารดาซื้อให้ต่อมาไว้เด็กผ่านไปไวัยเรียนก็อยากได้นู้นอยากได้ได่ก็ก็หาให้ต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากได้สามีภรรยาหากันให้หาให้ หาให้แล้วอยากได้ลูกมีลูกมีหลานหาให้กลายเป็นว่าาหาตลอดจนวัรนี้เนี่ยเราเห็นไหมจิตมันอิ่มไหมล่ะไม่มีความอิ่มพอใช่ไหมล่ะนี่คือความเป็นธาตุของเราเขาเรียกว่านัตติตันหาสมาณถีความอิ่มพอของตันหานเนี่ยไม่มีเลยเหมือนทะเลที่ไม่อิ่มด้วยน้ำไหลไปทุกวันแต่ไม่เคยอิ่มก็คือว่า นาทีตั้นหาสมานาทีก็เหมือนว่าตั้นหาเสมอเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มแสดงว่าเราเกิดมาเพื่อสนองความอยากของใจนี้ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้จนสุดท้ายเราจะตายมันยังมีความอยากผูกพันกับอะไรอะไรที่เราสร้างมาอีกตั้งแต่เราเกิดมาเราสร้างสมมาสิ่งเรานั่นมา และสิ่งเหล่านั้นเองก็แปลเป็นเพื่องเหนี่ยวรั้งใจของเราติดนั้นกลายเป็นภพชาติขึ้นมาอีกฉะนั้นภพชาติก็คือจิตที่คุกที่ที่เรียกร้องที่เราสแสวงหาแล้วก็เมื่อสแสวงหาก็ประกบไว้มัดตัวมันไว้ติดกับสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของอารมณ์มากมายที่เรานั่งสมาธิไม่สงบนี่เองเวลาเรานั่งสมาธิไม่สงบเราเห็นไหมว่ามันมาจากไหนก็มาจากอารมณ์ที่เราสร้างสมมาทั้งนั้นเลยสนอง สรองความอยากของเรามาตลอดอันนี้ก็คือว่าบางคนบอกว่านั่งสมาธิทําไมไม่สงบล่ะไม่สงบเลยไม่รู้อารมณ์มาจากไหนอารมณ์มาจากการกระทําของเรานั่นเองที่เราทำจนจนจ น, จนคุ้นจนเคยนั่นเองอารมณ์เหล่านี้มากมายนะก็เลยว่านี่เขาเรียกว่าตัณหาทั้งหมดก็คือข้อข้อที่สองของอริยอริยสัจสี่ก็คือตัณหามากมาย ดังนั้นการการที่มีปัญหาตัณหาเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นทุกข์ของคนเรามากมายก็เกิดขึ้นผู้พระองค์ก็ทรงทรงตรัสถึงว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยก็คือตัณหาทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาเป็นเหตุของทุกข์แล้วจะดับทุกข์ก็คือดับตัณหานั้นเสียเราจะต้องดับจิตตรงนี้ให้ จิตตรงนี้เลิกการเกาะเกี่ยวอะไรอะไรทั้งสิ้นนั่นเองคือเรียกว่าการดับทุกข์ก็เท่ากับว่าที่เคยบอกในในในในเบื้องต้นว่าอารมณ์ทั้งหมดของคนเหล่านี้เองเป็นทุกข์ทั้งหมดก็คือเป็นกิเลสของเราทั้งหมดนั่นเองเป็นทุกข์ทั้งหมดของคนเหล่าก็คือกิเลสก็คือความคิดของคนเหล่านี่ทั้งหมดนั่นเองเป็นความทุกข์ฉะงนั้นการที่เราจะให้ความทุกข์เหล่านี้ดับได้ ความสุขที่จะตามมาก็คือเราจะต้องดับอารมณ์ทั้งหมดไม่ให้จิตของเราเนี่ยมีอารมณ์อะไรเราจะต้องดับอารมณ์ทั้งหมดว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยไม่มีไม่ให้มีอะไรในจิตเราเลยแล้วเมื่อบุคคลนั้นทำได้แล้วเนี่ยคนนั้นจะอิสระภาพอิสระภาพเลยนะต่อไปถ้าเกิดว่าเราเราชนะ ตันหานี้ได้นะสมมุติว่าเราชนะได้เอาจิตเรานี้ดับหมดเลยนะอารมณ์ไม่มีเลยนะจิตเรานี้จะอยู่ในอํานาจของเราหมดเลยว่าบอกให้นั่งนะก็จะนั่งบอกให้นอนนะก็จะนอนว่านอนสอนง่ายจิตเราก็จะเป็นสมาธิตลอดเวลาแล้วจะทําอะไรพระละการไม่ได้ต้องขออนุญาตเราก่อนแต่เมื่อก่อนขออนุญาตเราไหมมันไปอ่ะไม่ขอเลยใช่ไหมเราเรียกร้องให้อยู่ยังไม่อยู่เลยอันนั้นก็คือเรียกว่า เขาอยู่ในอำนาจของกิเลสสามตัวก็คือราคะโทสะโมหะแต่เมื่อเรากู้สถานการ์กลับมาจากกิเลสสามตัวนั้นได้เชื่อไหมจิดตดวงนี้เนี่ยอยู่ในอำนาจของเราหมดเลยเราไม่สั่งให้จิตนี้ไปจิตนี้จะไม่มีการไปเลยได้นะไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะทำได้อย่างนั้นจิดตดวงนี้เนี่ย จะทําอะไรต้องผ่านการอนุญาตของเราก่อนนั่นสมัยหนึงว่าบุคคลที่ชนะค่าศึกแล้วหมายถึงว่าบุคคลนั้นเขาเรียกว่ า, าชนะกิเลสแล้วนะจิตนี้จะหนึ่งเดียวเสมอและเมื่อจิตหนึ่งเดียวนี้ได้แล้วเนี่ยเวลาจิตจะเป็นอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตเราก่อนนะเราต้องสั่งจิตดวนั้นก่อนถึงจะจิตนั้นจะไปพะละการไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่า เราเราเป็นใหญ่จิตดวงนั้นเป็นหลองเรามีอํานาจเหนือจิตแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจิตสั่งอะไรเราขอขออะไรเราหาให้อยากได้อะไรเราหาให้อันนั้นขัดจิตเป็นนายเราก็กลายเป็นบ่าวรับใช้กลายเป็นเบาวจิตเป็นนายกายวาจานี้เป็นบ่าวรับใช้เมื่อก่อนไม่ได้ปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้น เมื่ อ, อ, อการต่อมาเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้าเราชนะได้นะเรานี่เป็นใหญ่กว่าจิตนั้นอีกจิตนั้นก็ต้องรอคำสั่งของเราอันนั้นหมายถึงว่าเราชนะได้แล้วจิตนี้จะไม่ภละการทำอะไรจะภละการไม่ได้จิตจะอยู่ในโอวาทของเราหมดเลยไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถจะกู้จิตมาสู่ภาวะที่ เมื่อก่อนเราเราเป็นเป็นธาตเขาตอนนี้เราพ้นจากความเป็นทาตได้กู่สถานการณ์เหล่านั้นให้กลับมาเป็นของดีได้เมื่อนั้นเราจะพกความส ง, สงบความสุขที่สุดในโลกคือความดับเย็นไม่มีอะไรเป็นอะไรความดับอันนี้เป็นความสุขที่สุดในโลกที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ก็คือพระนิพพานนั่นเองอพระนิพพานนั่นเองก็คือการรู้แจ้งอริยสัจ พระทีผ่ผานนี้ก็หมายถึงว่าความรู้ความเข้าใจที่เราสามารถที่จะเห็นแจ้งว่าทุกอย่างเป็นอะไรดับทุกดับโศกได้แล้วก็เป็นผู้มีความอิสระภาพใจดวงนั้นเนี่ยเมื่อพ้นจากตัณหาแล้วเนี่ยใจดวงนั้นจะสงบระงับดับเย็นกลายเป็นว่าใจนั้นจะไม่มีอารมณ์อะไรเลย เพราเลิกลาต่ออารมณ์ทั้งสิ้นว่าอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ควรแก่ตนอันนี้ก็กลายเป็นว่าผลของสมาธิผลของการรู้แจ้งก็ยึดสัตว์ก็คือพระธนิพพานแต่ทีนี้เราจะขอย้อนไปสู่การที่ว่าทุกข์กวนกําหนดรู้เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาการดับทุกข์นั้นก็คือการดับตัณหานั้นข้อปฏิบัติที่นําไปสู่การดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8 เขาเรียกว่ามัคคามินีปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติเราจะต้องรู้ขึ้นไปก็คือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คือต้องปฏิบัติตามมัค ก, ก็คือหนทางที่บอกว่าบรรดาทางทั้งหมดมัคมีองแปดประเสริฐสุดบรรดาบททั้งหลายอริยสี่ประเสริฐสุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราฆธรรมประเสริฐสุดทีนี้ว่า เรามาฝึกสมาธิกันทั่วไปอขอย้อนมาสู่ว่าเรามาฝึกสมาธิกันทั่วไปตามวัดตามบาตามหลายที่เนี่ยก็คือหัดให้จิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งลงไปเราก็พบความสุขได้เหมือนกันสุขในความเป็นสมาธินั่นเองแต่เมื่อเราจิตเราเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเป็นเป็นสมาธิชั่วข่าว เป็นสมาธิชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็กิเลส ต, ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ได้ออกเลยเป็นเพียงแต่ว่าหนีความวุ่นวายไปหลบอยู่ในสมาธิเหมือนจิตนั้นหนีออกจากอารมณ์ไปหลบอยู่เฉพาะที่ก็เลยเกิดความสงบขึ้นมาสมาธิเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิโลกี สมาธิโลกีก็คือฌานนั่นเองฌานแปลว่าเพ่งการทําจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่ในตัวมันเองเนี่ยนิ่งลงไปแล้วทําบ่อยๆให้รวมตัวเป็นสมาธิเขาเรียกว่าฌานเพ่งให้จิตเนี่ยเขาจะอยู่ในที่แคบจิตมันกว้างแต่เราเพ่งให้จิตนี่อยู่ในที่แคบเมื่อจิตนี้ถูกบีบ ถูกววานล้อมหรือถูกการอบลมให้อยู่ในที่แคบจิตเราก็รวมตัวเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราก็มีความสุขขึ้นมาแต่ว่าสมาธิที่เราทำทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ละกิเลสสังเกตไมมเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยกิเลสเหมือ น, ม, ม, ม, อนมีมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมทำให้เราเนี่ย แปลกใจว่าตอนที่เข้าสมาธิกิเลสไม่เห็นมีเลยมีแต่ความนิ่งของจิตสะอาดแต่ออกมาเนี่ยจิตมีเหมือนเดิมกิเลสมีเหมือนเดิมคือจิตของเราเนี่ยสังเกตไหมว่ากิเลสทุกตัวเนี่ยไม่ได้ออกมาพร้อมกันตัวหนึ่งออกมาตัวอื่นก็หลบไปก่อนอ่า ราคะมีโทสะก็หลบโมหะก็หลบเมื่อมีโทสะราคะก็หลบโมหะก็หลบคือคือตัวไหนเกิดขึ้นมาตัวอื่นก็หลบไปก่อนทีนี้ว่าตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยจิตเรานี่หลบสามตัวเลยไปหลบไปอยู่ก่อนแต่ออกมาก็สามตัวนก็ทำงานเหมือนเดิม นั้นสมาธิเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราทําอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทําไปทํามาวนไปว น, วนมาสุดท้ายก็ตันไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะว่ า, ามีมีความสงบบ้างมีความไม่สงบบ้างคะเข้ากันอยู่เขาเรียกว่าเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยวสงบก็ขะเข้ากันไปตามจังหวะตามเหตุตามปัจจัย ทีนี้ว่าเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> สุดท้ายก็คือทางตันไปกว่านั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดกว่านั้นก็ไม่ได้เมื่อตันแล้วเนี่ยก็คิดว่าสมาธิที่ตัวเองทำเนี่ยมีเท่านี้แหละไม่มีอย่างอื่นก็เลยเห็นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราตาย เราก็เข้าสมาธิตายไปเลยนั่นคือนิพานแล้วเขาจะเห็นนิพานก็คือความว่างของจิตขณะที่จิตเข้าไปในสมาธินั้นนั่นคือนิพานถ้าคนนั้นเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิพานโลกีความจริงไม่ใช่แล้วนิพานแท้นะเป็นนิพานโลกีคือนิพานแบบโลกโลกหลายคนคิดว่าตอนที่เราเข้าสมาธินิจิตเราว่าง ตอนออกมามั น, ม, นมันก็วุ่นก็จริงแต่ว่าเราฝึกว่างไว้บ่อยๆเพื่อตายปุ๊บเราจะเข้าที่ว่างนั้นตอนที่ยังไม่ตายก็หัดซ้อมไว้อยู่เรื่อยๆหัดอยู่อยู่เรื่อยๆเหมือนกับว่าเปิดทางไว้อ่าให้รู้จักทางเส้นนั้นไว้ให้คุ้นเคยกับทางเส้นนั้นไว้กะว่าเมื่อเราตายปุ๊บเราจะอยู่ในความว่างอยู่ในสมาธินั้นหลายคนคิดแบบนี้หมดเลย เขาคิดว่าความว่างนั้นก็คือนิพานความจริงไม่ใช่นะจะนิพานได้อย่างไรก็เมื่อมันว่างตรง น, นั้นแต่ออกมามันก็วุ่นเหมือนเดิมคนนั้นก็บอกว่าเอา้าตอนวุ่นเราจะไปอยู่ดิอยู่ตอนว่างสิความจริงว่างกับวุ่นนั้นตัวเดียวกันนะว่างกับวุ่นนั้นตัวเดียวกันเราจะคิดว่า ตัวว่างนั้นอีกตัวหนึ่งตัววุ่นนั้นอีกตัวหนึ่งความจริงตัวเดียวกันเมื่อเราคว้าว่างวุ่นก็ตามไปเมื่อคว้าวุ่นว่างก็ตามไป อ, อธิบายให้ฟังว่าเราสังเกตไหมว่าตอนที่เราไม่ทำสมาธิเนี่ยสมมติว่าตอนที่เราไม่ทำสมาธิจิตเราเนี่ยมีอารมณ์ร้อยอร์เซ็น้ยเอร์ซอยู่ แล้วก็เวลาเราทำสมาธิปุ๊บเนี่ยไปเราพยายามให้จิตร้อยเปร์เซนที่มีอารมณ์อยู่เนี่ยเอาอารมณ์ออกแล้วก็เมื่ออารมณ์ออกปุ๊บเนี่ยจิตเราก็เริ่มเป็นสมาธิเข้ามาส0เปร์เซนยี่สิบสามสิบี่สลึกไปลึกไปจนในที่สุดเนี่ยจิตเราเข้าสมาธิลึกเนี่ยจิตร้อยเ์ซนนิ่งหมดเลยถามว่าจิตที่ร้อยเปอร์เซนนั้นมาจากจิตอะไร มาจากจิต ท, ที่วุ่นร้อยเซนตนั่นแหละวุ่นร้อยเอร์ซนตต่อตอนนี้ว่างละเมื่อเรานิ่งอยู่ร้อยเรเซนตเราก็มีความสุขมากมีความพอใจใ น, ในผลอ น, นั้นหลังจากนั้นแล้วร้อยเอร์เซน ท, ท, ที่ที่นิ่งอยู่เนี่ยก็ทยอยออกมาทยอยออกมาก็เริ่มวุ่นสิเอร์ซนตวุ่นยี่สิบวุ่นสามสิบวุ่น4ี่สิบวุ่นห้าสิ0หกสิเจ็สิบ จนบางครั้งวุ่นร้อยเซเหมือนเดิมเทกันไปเฮกันมาเฮกันไปเฮกันมาแล้วจะว่าอะไรว่าว่างกับวุ่นนั้นคือใครเมื่อว่างแล้วมันก็กลับมาวุ่นได้น่ะว่างังี้นเถอะเมื่อวุ่นแล้วก็กลับไปว่างได้เมื่อมีราคะก็กลับมาโทสะได้มีโทสะกลับไปโมหะได้มันก็ไหลไปตามนั้นแหละแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยเชื่อไม่ได้หมดเลยว่าอันไหนจะดี เพราะว่าเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยเพียงแต่วา่าผู้ร้ายเนี่ยตอนที่เขาหลับอยู่เนี่ยก็บอกว่าคนนี้ดีนะไม่ได้ไปป้นใครไม่ได้ไปฆ่าใครนอนนิ่งอยู่เร็วตอนนิ่งนั้นก็บอกว่าผู้ร้ายนั้นคือผู้ดีตอนเขาตื่นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปป้นเขาไปฆ่าคนอื่นก็บอกนี่ไอ้นี่เป็นคนร้ายไปถึงย็นเย็นเนี่ยมันเหนื่อยมันก็ไปพักก็นอนหลับต่อตอนหลับก็บอกว่าไอ้นี่เป็นผู้ดี ตอนตื่นก็ไปเป็นผู้ร้ายถามว่าคนทั้งสองนี่คนเดียวกันไหมคนเดียวกันจิตทั้งสองบอกว่าว่างกับวุ่นนี่อันเดียวกันไหมอันเดียวกันเพียงแต่มันเปลี่ยนเฮกันไปเฮกันมาไอ้วุ่นนะั่นมันเป็นเองนะว่างนี่เราต้องฝึกก่อนนะต้องต้องเราต้องแข่งเราเราต้องแย่งกับเขาฉะนั้นเราต้องรู้ว่าจิตที่ว่างกับวุ่นนี้ไม่ได้มีความบริสุทธิ์อะไรเลย เหมือนกับว่าเราอาบน้ำตอนเย็นเออสะอาดหน่อยหนึ่งพรุ่งนี้เช้าอาบอีกแล้วเพราะมันสกรปรกอีกแล้วเมื่อเมื่ออาบไปแล้วไปทำงานเหงื่อไหลคลายย้อนกลับมาต้องอาบอีกแล้วสกรปรกใหม่กลายเป็นว่าสะอาดคือสกรปรกนั้นคือคนคนเดียวกันแต่การละเวลาต่างกันเท่านั้นเองและสุดท้ายก็คือทั้งสกรปรกทั้งสะอาดอยู่ในที่เดียวกัน แต่คาว่านิพานเนี่ยต้องสะอาดอย่างเดียวไม่มีการวกไปไ ว, วนมาอย่างนั้นเข้าใจไหมว่านิพานไม่ได้เป็นอย่างนั้นนิพานคือนิ่งอย่างเดียวไม่มีคำว่าวุ่นเลยมีแต่ว่างอย่างเดียวแต่เราเนี่ยว่างๆวุ่นๆวุ่นๆว่างๆาแล้วว่ากะว่าตายปุ๊บเนี่ยจะต้องเข้าว่างทันทีมันจะได้ไม่วุ่นก็ในเมื่ออยู่ธรรมดา ย, ยังไม่ตายมันก็มีวุ่นมือว่างอยู่แล้วะ ตายไปมันกถถถ็ถึงลงอะไรกันแล้วแต่มันก็มีเหมือนกันนั่นเองฉะนั้นคนที่เข้าใจหลายคนว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยเพื่อซ้อมให้เราเนี่ยทำได้คล่องคล้่องแคล่วขึ้นแล้วก็เวลาตายปุ๊บเราจะเข้าสมาธิตายเป็นอันว่าเข้าสมาธิก็ไม่รอดบรรดาสมาธิที่เข้าไปนั้นรู้ไหมว่าสมาธินั้นคืออะไร ก็อยูงที่บอกว่าสมาธิที่เรารวมจิตนิ่งดิ่งเข้าไปนะี่ก็คือฌานเราเราได้ยินไหมว่าคนที่เข้าฌานตายนี่ไปเกิดไหนถ้าฌานขั้นขั้นต่ำาก็เรียกว่ารูปฌปานก็คือรูปประพบถ้าสูงขึ้นไปก็คืออรูปประพบฉะนั้นเราเข้าสมาธิไปก็คือเป็นพพชาติเ่ง นั่นเองอย่าคิดว่าสมาธินั้นคือนิพานนะคนที่เข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่านิพานพมหรือนิพานโลกีอ่าที่ที่ที่หลายคนคิดว่าสมาธิคือความว่ า, ง, นะน า, นนานงนั่นคือนิพานนิพานพรมท่างนั้นเนิพานโลกีทัางนั้นเลยนิพานจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็เวลาสมมติว่าคนนั้นเข้าสมาธิไปเนี่ย จิตนิ่งมากขณะนี้ปิ่นพมอยู่หลังจากนั้นเนี่ยเข้าสมาธิไปชั่วโมงหนึ่งนิ่งหลังจากชั่วโมงแล้วก็ออกมาจากที่จิตที่นิ่งก็เริ่มมีความคิดขึ้นมากา็เป็นเป็นจิตที่ไม่นิ่งแล้ววุ่นแล้วแล้วเวลาจิตที่คิดมากปรุงแต่งมากขึ้นมาก็มีคิดดีอ่าจากพรมมาโลกแล้วมาก็คิดดีอันนี้สวรรค์แล้วนะคิดดีสวรรค์มนุษย์แล้วนะ หลังจากสงบไปชั่วโมงเนี่ยอยู่พรหมโลกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ออกมาข้างนอกเนี่ยสิบนาทีแรกเนี่ยคิดดีอา้าวเป็นสวรรค์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์หลังจากสิบนาทีหลังยี่สิบนาทีหลังนี้มาคิดไม่ดีขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้ตกนรกแล้วนะวันหนึ่งเนี่ยนรกสวรรค์พรห ม, มโลกวนอยู่ตลอดเข้าใจไหม ฉะนั้นคนที่เข้าสมาธิตายปุ๊บเนี่ยไปเกิดพรห ม, มโลกแล้วจะหมดอารมณ์หมดอายุของพรห ม, มโลกอาจจะไปลงนรกทันต่อฉะนั้นพรห ม, มโลกนั้นปิดนรกไม่ได้ปิดไม่ได้เลยแต่ตอนที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ตายเนี่ยแค่นาทีแรกนาทีหลังใช่หไหมล่ะสิบนาทียี่สิบนาทีหลังนี้อยู่ตรงนี้นะต่อไปนาทีนี้อยู่ตรงนี้นะมันแค่นาทีแต่นั่นแค่พบนั่นเป็นถึงพบชาติเลย อันเดียวกันอันเดียวกันอายุความก็ต่างกันไปอายุความต่างกันไปเท่ากับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติทำมาเลยเนี่ย mm hmm. ก็มีวันก็คือคิดดีคิดไม่ดีคิดดีคิดไม่ ด, ด, ด, ดีสวรรค์นรกสวรรค์นรกสวรสวรค์นรกคนนี้มีที่ไปสองที่เลยสวรรค์กับนรก เวลาตายเนี่ยเราลงตรงไหนไปตรงนั้นเลยต่อมาคนคนเดียวกันนี่แหละทำสมาธิขึ้นมาทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทำฌานให้เกิดขึ้นมาก็มีเหมือนกับว่ามีที่ไปสามที่เพิ่มที่ใหม่ขึ้นมาก็คือพร ม, มโลกสวรรค์นรกพร ม, มโลกสวรรค์นรกพร ม, มโลกสามที่ แต่ที่วันนี้ผานเนี่ยไม่มีทั้งสามนี้จะไม่มีท the ั้งสามนี้แล้วก็นิพานเนี่ยไม่มีทั้งสามนี้เราจะต้องไม่มีตั้งแต่ไปตายแล้วนะตอนที่เราเป็นอยู่นี้ต้องมีแล้วไม่ใช่ไปมีตอนตายนะฉะนั้นตรงนี้ก็มีตอนเป็นนิพานก็ต้องมีตอนเป็น ตอนเป็นต้องมีแล้วเท่ากับว่าคนคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนนั้นบรรลุธรรมได้เนี่ยวันหนึ่งจะไม่มีทั้งสามนี่เลยคิดดีไม่มีคิดไม่ดีไม่มีในฌานสมาธิก็ไม่ได้เข้าแต่ก็ไม่มีอารมณ์อะไรไม่ได้เข้าสมาธิก็ไม่ได้เข้าเข้าสมาธิก็ไม่ได้เข้าอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีสมาธิก็ไม่ได้เข้า จิตก็ไม่ได้ไปไหนจิตก็นิ่งอยู่อันนั้นเขาเรียกว่นนานิพานท่านนิพานไม่ใช่ไม่ใช่รูปภพอารมณ์ภพไม่ใช่สวรรค์นรกไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่พบนี้พบหน้าไม่ใช่พบไม่ใช่พบทุกอย่างท่า น, นนิพานคือความอิสระภาพและความอิสระภาพนี้จะต้องรู้จกักตอนที่เรายังไม่ตายการที่เราจะรู้จกัก ตรงไมตานี้จะทําให้ผิดผลตัวนี้ออกมาก็คือรู้แจ้งอริยสัจสีอริยสัจสีตัวนี้เองจึงเป็นผู้เป็นสิ่งที่ว่าเป็นเป็นบทที่เราจะต้องตีแตกก็คืออริยสัจสีทีนี้ว่าคนเราทุกคนที่ว่า เ, าเกิดมาอย่างที่บอกว่ า, าคิดดีไป สวรรค์คิดไม่ดีไปนรกทำสมาธิไปพร ม, มโลกถ้าอย่างนั้นเราจะพ้นได้อย่างไงวันวันหนึ่งเราก็ต้องดูตัวเราเนี่ยที่เราฝึกมาเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยจิตเราอยู่ในสามตัวนี้ไหมแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทุกคนอยู่ในสามตัวนี้แน่นอนถ้าคนไหนไม่มีสมาธิก็คืออยู่สองตัวเออคิดดีก็ไม่ดีถ้าคนไหนทำสมาธิก็คืออยู่สามอย่าง คิดดีคิดไม่ดีแล้วก็ทาสมาธิฆาเข้ า, ขากันไปทีนี้ว่าเราจะรู้จักนิพพานได้อย่างไรเราจะเข้าถึงนิพพานได้อย่างไรก็คือว่าเราจะต้องรู้แจ้งรู้แจ้งว่าตัณหาทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องดับดับทุกข์ก็คือดับตัณหารู้แจ้งก็คือทำตัณหานั้นให้แห้งไปก็ เกิดแห้งไปก็คือการเขาเรียกว่านิโรธทําให้แจ้งก็คือทําตัณหาให้แห้งด้วยวิธีใดพรธองค์ก็ทรงสอนว่าตัณหาเหล่านี้เนี่ยมาจากการยึดมั่นถือมั่นตัวเราดิ้นมั่นตัวแล้วถือมั่นตัวเหล่านี้เองตัวเราคืออะไรตัวเราก็คือร่างกายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า ร่างกายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ก็คืออาการส2มสสองเราที่เราจะต้องเห็นแจ้งขึ้นมาเพราะว่าเรายึดมั่นตรงนี้แหละทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราจะดับตัณหาก็ต้องมีการรู้แจ้งฉะนั้นกรรมฐ า, านเนี่ยไม่ใช่แก่ให้ทำสมาธินิ่งอย่างเดียวแล้วจะจบ การนิ่งอย่างเดียวนี้เพี้ยแพ่ยับยั้งจิตหรือพักจิตเท่านั้นไม่ใช่เป็นการทำให้จิตนี้พ้นจากกิเลสได้เป็นการพักผ่อนจิตเท่านั้นเองถึงได้บอกว่าเวลาทำแล้วเนี่ยกิเลสไม่ออกเลยจะไปออกได้อย่างไรกิเลส จ, จะออกได้อย่างไรเพราะว่าเราไปนิ่งอยู่นั้นไม่ได้เป็นการชำระกิเลสอะไรเลยแล้วเราจะออกได้อย่างไรละ่ะกิเลส ออกได้โดยวิธีที่ว่าเราต้องต้องเบื่อหน่ายร่างกายนี้การเบื่อหน่ายร่างกายนี้เนี่ยก็คือวิราคฆธรรมใ น, นที่บอกว่าบรรดาธรรมทั้งหลายก็คื อ, อบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคฆธรรมเป็นใหญ่ประเสริฐสุดก็คือว่าวิราฆธรรมนี้เป็นธรรมที่ที่เราจะต้องอบรมให้เกิดให้มี วิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีรวมความแล้วก็คือไม่ยินดีไม่ยินดีอะไรไม่ยินดีในตัวเรานี่เองแสดงว่าเราเนี่ยยินดีตัวเรามาก่อนเก่าก่อนแล้วอันนี้ก็แน่นอนว่าคนเราทุกคนเนี่ยยินดีในตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาเนี่ย ตันหาจิตอยาก เ, กเรียกร้องว่าอยากได้น้นนะเราหาให้หาให้ทั้งหมดเนี่ยที่เราหาให้เนี่ยหาให้อะไรมาบำรุงบำเลอร่างกายเหล่านี้เองอยากจะกินอะไรหาให้นะอยากจะไปดูอะไรหาให้นะให้ตัวเรามีความสุขพูดจริงๆก็คือมาบำรุงบำเลอตนนั่นเองตอนในที่นี้ก็คือร่างกายนี้ จิตใจก็เลยอยากจะได้น้อนอยากรายได้อยากไรายน้นได้นี่มาบำรุงบำเลอในตัวเราฉะนั้นการที่เรามีความยินดีในตัวเรานั่นเองเขาเรียกว่าฉันทลาคะฉันทลาคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดียินดีและพอใจถ้าเราจะให้ตัณหาแล้วก็ฉันทลาคะตัวนี้หนึ่งทําให้ตัณหาทั้งหมดหรือจิตที่ออกไปเขา ไปสู่อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เพราะฉันทลาฆานี่ตัวตัวฉันทลาคานี้เป็นเหตุเราอยากจะให้จิตของเราดับตัณหาทั้งสามนั้นได้ก็คือดับฉันทลาคานั้นเสียก็คือมีทางเดียวก็คือโน้มจิตไปทางวิราฆธรรมกาจัดฉันทลาคาฉะนั้นนักปฏิบัติที่เข้าใจอย่างนี้ว่าทุกทั้งหมดเนี่ยเกิดจากฉันทลาคะนี้เป็นเหตุ แล้วการดับฉันตะลาคะนั้นคือกลับของทุกข์คือดับของตัณหานั่นเองข้อปฏิบัติก็คือการอบรมให้แจ้งตัวเหล่านี้ก็คือมักมีองค์8ถ้าเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเข้าใจอริยสัจสี่ตามลําดับลําดับขึ้นไปเขาเรียกว่ารู้อริยสัจสีตามลําดับไม่ใช่ว่ารู้ทั้งหมดนะรู้ตามลําดับ อรียตสี่จะรู้หมดก็เมื่อเป็นพาาระลหันเท่านั้นเองแต่ระหว่างนั้นเขาเรียกว่ารู้อย่างละเอียดไปตามลำดับลาดับของการรู้หรือตามอินทรีย์ตามบา ร, รมีดงนั้นเรียสีเนี่ยจะรู้ทีเดียวไม่ได้รู้ไปตามลาดับรู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนั่นจึงเป็นที่มาของการอบรมเท่ากับว่าสมาธิที่เราทาไปไม่พอแล้วไม่พอไม่พอแน่นอนเพราะว่า ทำแล้วนิ่งนิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วก็วุ่นวุ่นแล้วก็วิ่งอยู่หนังนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสุดท้ายไอ้ว่างกับวุ่นนั้นตัวเดียวกันผู้ร้ายกับคนที่ที่นอนหลับนั่นแหละตอนตอนที่มันหลับหลับก็ก็คือผู้รายตอนที่มันไปนป้นไข่ก็คือผู้รายนั่นเองทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่พอหรอกการอบรมของเราก็คือต้องมาปฏิบัติในตัวเราอีก การปฏิบัติในตัวเหล่านี้ก็คือการรู้แจ้งตัวเหล่านี้จึงเกิดขึ้นจําเอาไว้เลยว่ากรรมฐานเนี่ยต้องมีการพิจารณ า, า, าตัวขึ้นมาแน่นอนถ้าไม่พิจารณาตัวขึ้นมาละแล้วเนี่ยจุดจบของปัญหาจะมีไม่ได้เลย อ, อันนี้ก็คือจะต้องประพฤติปฏิบัติขึ้นมา ก็คือว่าจําไว้เลยนะกรรมาฐานเนี่ยถ้าเกิดว่ากรรมาฐานชนิดใดก็แล้วแต่ถ้าไม่เห็นแจ้งร่างกายนี้ไม่มีทางจิตจะหยุดได้ถ้าเราเห็นร่างกายเหล่านี้แล้วก็เบื่อหน่ายะจิตนี้หยุดได้แน่นอนจิตหยุดในที่นี้ก็หมายถึงว่าจิตเลิกลากับโลกเลยจิตอำลาอารมณ์ทั้งหมดจิตนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะจิตนั้นก็มีอยู่นะ แต่มีแล้วเลิกยุ่งกันนะไม่ได้ยุ่งกันอีกแล้วจะไม่ไปผูกพันกันอีกแล้วเชื่อไหมว่าจิตเราก็อารมณ์นี้เป็นของแยกกันได้แยกแต่ไม่ได้แยกเข้าในสมาธิอย่างที่เราทํานะตอนที่เราทําสมาธิกันเนี่ยคือมันแยกชั่วข่าวแล้วมันก็จะไปครบกันทีหลังอีกทีหนึ่งคือแยกกันชั่วขณะแล้วก็จะไปผูกพันกันอีกต่อไปแยกเพื่อจะผูกต่อนั่นเอง แต่การที่เรารู้แจ้งเนี่ยแยกแล้วแยกเลยจะไม่ผูกเลยต่อไปจะไม่ผูกเลยคือแยกกันไปเลยแล้วก็แยกขาดเลยผลอันนี้เราจะต้องรู้จะต้องเห็นตั้งแต่เรายังเป็นเป็นอยู่นี้ไม่ได้ถ้าไม่งั้นไม่ได้เลยนะเราต้องต้องรู้ต้องเห็นคนนั้นเน่เขาเรียกว่ารู้แจ้งอยายัดศี ฉะนั้นกรรมาฐานนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาสำรวจตัวเองว่าเราทำแต่สมาธิด้านเดียวเนี่ยไปไม่รอดหรอกมีแต่วิ่งวิ่งมีแต่วิ่งกับนิ่งมีแต่ว่างกับวุ่นเดวนิ่งเดีย ว, วิ่งเดย ว, ว่างเดา ว, วุาน่นอยู่อย่างนั้นแหละจะไปอะไรนอกเหนือนั่นก็ไม่มีถึงแม้ว่าเราจะจ้องเข้าสมาธิตอนที่เราตายก็ไม่หลอดเพราะการตายการเข้าสมาธิถึงจะเข้าสมาธิได้ตอนตายก็ไป ก็กคือเรียกว่าไม่ไ ม, ไม่ไปไม่เป็นนิพพานนะไม่ใช่ น, นิพพานมันเป็นภพเนะี่ยนั้นบรรดาในสมาธิทั้งหมดที่เราทําอยู่นี้เป็นภพหมดเลยนะตั้งแต่ปฐมฌานาจนถึงโน้นอรูปฌานก็เป็นภพชาติทั้งหมดซึ่งภพเหล่านั้นเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจว่าฌาน น, น, นนั่นแหะคือนิพพานเป็นไปได้อย่างไร เท่ากับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะพ้นจากภพชาติได้อย่างไรดูขณะปัจจุบันก็รู้แต่แน่นอนว่าคนเราก็มาจากคนธรมธรมดาทั่วไปที่ยังไม่ได้ฝึกก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องมีแต่เมื่อมีแล้วให้ออกซะจะออกโดยวิธีใดก็คือวิธีที่เราจะต้องมาเบื่อหน่ายตัวเองนีเอ ง, เองการที่เราเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้ถ้าใครยกเว้นการกระทํานี้ซะ เชื่อไหมจิตคนนั้นจะไม่มีการขาดจากอารมณ์เลยนี่คือผลตอบแทนของเขาใครๆครคิดว่าเราจะไม่ต้องพิจารณาร่างกายนี้จะไม่ต้องเบื่อนาร่างกายนี้แล้วเราคนนั้นจะพ้นจากทุกได้โดยวิธีอื่นลองหาดูเถิดจะไม่เจอเลยจะไม่พบจุดจบของปัญหานี้เลยใครครจะพูดขึ้นได้ก็พูด แต่คนนั้นจะไม่เจอปัญหาคําตอบนี้เลยคือจิตคนนั้นจะไม่ขาดจากอารมณ์ขาดก็ขาดชั่วขณะเท่านั้นเองจะไม่มีการขาดทาวรนฉะนั้นนิพานคือการขาดท้าวอนอาการท้าท้าปอทาวอนก็คือเราจะต้องมีทางเดียวก็คือให้เบื่อหน่ายตัวเองซะเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายตัวเราทั้งหมดเนี่ยว่า เป็นของที่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเป็นของหยิบยืมมาเป็นของที่อ่าหาจีรังยั่งยืนอะไรไม่ได้บางคนบอกว่าเราเข้าใจเอาไม่ได้เลยในเมื่อร่างกายของเรานี่เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเป็นเป็นอาการสามสิบสองเป็นธาตุแล้วเราก็ไม่น่าจะยึดมั่นอะไรเข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยง ก็แค่นี้จะพอไหมไม่พอเราเคยสอนใจตัวเองไหมว่าเราไม่เที่ยงนะคนไม่ลกไม่เที่ยงนะอย่าดื้อ น, นะอให้วางนะให้ปล่อยวางนะให้นิ่งนะมันเชื่อเราไหมล่ะมันไม่ฟังเรานะฉะนั้นเราสอนเขาได้แต่เขาไม่รับฟังเราเลยเราสอนตัวเองจนสอนจนเบื่อนะ สอนแล้วสอนเล่าลดาแล้วด่าเล่าดุแล้วดุเล่า ว, ว, ว่ า, อ, าอย่างนั้นอย่างนี้สอนแล้วมีผลไหมไม่มีไม่มีผลนะสังเกตว่าเราด่าเขาตอนนั้นนะอาจจะสงบไปหน่อยนะเดี๋ยวคอยหลังหน่อยเดี๋ยวเอาอีกแล้วเดิมเดิมนั่นเอะเรื่องเดิมเดิมทั้งนั้นที่เราด่าทั้งนั้นที่มันมาอยู่ทุกวันนี้ ด่าแล้วมันหลบอาจจะเงียบไปหน่อยหนึ่งว่างั้นเถอะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีผลที่เดี๋ยวก็ไม่ใช่แต่ว่าวันหลังมันทำอีกมัน ม, มันไม่ได้ว่าเลิกลากันเลยนะมันแค่หลบหน้าไปหน่อยเดียวท่านหนึง่งบางครั้งไม่หลบเลยสู้เราสู้โดยซ้ำอเอาสิฉะนั้นนับภาษาอะไรที่เราบอกว่าร่างกายเราไม่เที่ยงคนอื่นไม่เที่ยงปล่อยวางไม่มีทางให้เบื่อหน่ายร่างกายเราเนี่ย บางคนบอกว่าอืม <c oughs> ให้เบื่อหน่ายคนอื่นไม่ได้เลยไม่ได้เราสังเกตไหมหมอเห็นคนป่วยสัปะเหร่เห็นคนตายหมดกิเลสไหมหมอเห็นคนป่วยทุกวันสัปะเลหร้เห็นคนตายทุกวันมนุษย์เรามีอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เขาจะไม่เห็นเลยนะแต่ เชื่อไหมกิเลสหมดไหมซา ป, ปเลอร์นี่กินเหล้าตลอดน ะ, ะหมอเนี่เจ้าชูไ้ไหมล่ะ <c ười> คือเห็นคนอื่นเนะ่ยมันไม่เบื่อนะถึงจะสกปรกขนาดไหนนะก็เหมือนกับว่าตบตาได้สบายเลยไม่น่าเชื่อนะแต่เชื่อไหมว่าทุกคนเห็นตัวตัวเองทุกคนเนี่ยเบื่อจริงๆ แล้วก็เบื่อแล้วเนี่ยกิเลสหมดจริงๆไม่น่าเชื่อแต่ถ้าเราไปเห็นคนอื่นอย่างไรอย่างไรก็ช่างเถอดเห็นไปก็เป็นเรื่องปกติไปเลยมันมันละนกิเลสไม่ได้แปลกนะเราเห็นคนอื่นละไม่ได้ฉะนั้นถึงได้บอกว่ากรรมฐานต้องเห็นตัวเองให้ได้ถ้าใครเลี่ยงคํานี้หรือไม่ทําตามนี้อย่าหวังเลยนะจิตจะ จะเหือดแห้งต่ออารมณ์จะปล่อยอารมณ์จะไม่มีเลยจะไม่ได้เลยคือมันเป็ น, ปนสูตรสําเร็จเลยว่าต้องเห็นต้องแจ้งต้องเบื่อถึงแม้เราจะเข้าใจว่าเราไม่เที่ยงก็ตามเราก็จําเป็นจะต้องให้เห็นให้แจ้งไม่งั้นการเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ไม่จบ เราจะเข้าใจมาก่อนก็นแล้วแต่ว่ามนุษย์เราไม่เที่ยงตัวเราไม่เที่ยงเข้าใจก็ต้องเห็นทีนี้ว่าตัวเราเนี่ยให้เราเบื่อตัวเองนั่นคือการกำจัดฉันทะลาค่ะถ้าเราเบื่อตัวเองเป็นไปได้ทีเดียวว่าเราต้องเบื่อโลกถ้าเราเบื่อโลกได้เป็นไปได้ทีเดียวเราเราจะคลายอารมณ์ของโลกออกถ้าเราคลายอารมณ์ของโลกออก เป็นไปได้เราจะละตัณหาทั้งหมดจิตที่ไหลไปสู่กระแสอารมณ์ต่างๆก็จะเหือดแห้งลงไปเมื่อจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเหือดแห้งลงไปเป็นไปได้ว่าจิตเรากับโลกจะขาดกันเมื่อจิตของเราจะเป็นกับโลกจะขาดกันเป็นไปได้ว่าจิตเราจะตั้งมั่นเมื่อจิตเราตั้งมัน่นเป็นไปได้ว่าจิตเราจะหลุดพ้นเราเห็นชัดไหมว่า แผนังของการหลุดพ้นจะต้องเป็นรูปนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เบื่อหน่ายตัวเองเป็นไปไม่ได้เราจะเบื่อหน่ายร่างกายผู้อื่นการที่เราไม่เบื่อหน่ายร่างกายผู้อื่นเป็นไปได้ลาคะก็จะกำเริบโทสะก็ตามมาโมหะก็ตามมาติดติดเมื่อลาคะโทสะโมหะตา ม, มามากมายเป็นไปได้ว่าเราจะหนาแน่นต่อตัณหา เมื่อเราหนาแน่นต่อตัญหาเป็นไปได้ว่าจิตเราก็จะมากด้วยอารมณ์เมื่อจิตเรามากด้วยอารมณ์เป็นไปได้บอกการตั้งมั่งของจิตก็จะไม่ต้องพูดถึงเราก็จะคงจะจมดิ่งอยู่ในโลกนี้แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้เราดูดูทางสองทางนีว่าถ้าเราเบื่อหน่ายตัวเราเราอาจจะเบื่อหน่ายโลกได้เป็นของที่มีได้ ถ้าคนนั้นว่าเราเราเบืยินดีตัวเองนี่เองเรายินดีในเราเราถึงยินดีผู้อื่นเมื่อเรายินดีดีผู้อื่นจิตของเราวิง่งไปสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีคนที่รู้แจ้งอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเริ่มแทงอริยสั์สี่ได้ ฉะนั้นแยสสีเนี่ยละเอียดมากนะที่พุทธองค์ทรงกล่าวว่าเราไม่รู้ทำสี่ประการนี้เราและเธอเร้่องลายได้ท่องเที่ยวยังสังสารวัตมาช้านานรู้ยากจริงๆจำไว้เลยว่าถ้าถ้ากรรมฐานใดไม่เห็นร่างกายตัวเองและไม่เบื่อหน่ายนะลองทำดูได้เลยนะ ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ทำคนอื่นนะลองได้จะไม่พบจุดจบเลยจาจาคาตอบนี้ให้ดีจะไม่พบความสงบได้เลยความสงบแบบสงบท้าวรนนะ่ะไม่ได้เลยสงบชั่วข่าวได้อยู่นะชั่วขาวนี่ได้นะแต่สงบท้าวรนจะไม่ได้ไม่ได้สงบชั่วข่าวก็คือโลกีนั่นเองสมาธิโลกีได้อยู่ได้บ้าง แต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้สงบท้าวรไม่ได้แน่นอนรับประกันได้จะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เราสงบท้าวรคําว่าถาวรทีนี้ก็คือสงบตลอดเวลาถามว่าเ้าสงบตลอดเวลาคนนั้นต้องนั่งไหมมไม่จำเป็นต้องนั่งคือจะนั่งจะนอนจะยืนไม่ไม่คิดไม่ไม่ไม่ไม่เอาเป็นปัญหาว่าเรื่องนี้จะอยู่ในภาวะไหน เป็นอันว่าชีวิตประจาวันจะยืนกระช่างจะนั่งกรนอนจะช่างหนึ่งเดียวจิตตัวนั้นจะหนึ่งเดียวไม่มีอารมณ์อะไรเพราะมารอบรู้ทั้งหมดว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็คือเบื่อหน่ายตัวเองนั่นเองจานั้นในคำสอนพระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็ขายกำหนัดเมื่อขายกำหนัดจิตก็หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็รู้เลยว่ามียานอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วกิจจะทำยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วการกระทากรรมฐานเนี่ยเขาทำครั้งเดียวทาแล้วเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยไม่ต้องทำเมื่อไม่ต้องทำแล้วผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีกพาว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราเนี่ยทาแล้วเปลี่ยนแปลงเสมอ พิกหน้าพลิกหลังสามวันดีสี่วันไข้สิบนาทีแรกไปอย่างนี้สิบห้านาทีหลังไปอย่างนี้ลิงตัวนั้นห้อยหโหนไปตลอดจับกิ่งนี้ปล่อยกิ่โน้นโหนตรงนั้นต่อจิตคว้าเรื่องนี้คว้าเรื่องโน้นต่อคิ้งเรื่องนี้ไปไปคว้าเรื่องโน้นต่อวันยังคำ่ำถึงจะเรามาทําสมาธิก็สงบอยู่ชั่วขณะเด็กก็ออกไปไหวคว้าอีกแล้วว่างกระวุนมีอยู่ประจําวัน นั่นเขาเรียกว่าคนนั้นไม่จบทำแบบไม่จบแต่กรรมฐานเนี่ยที่ที่ถูกต้องจริงๆก็คือทำแล้วจบก็คือทำครั้งเดียวแต่มีผลตลอดชีวิตไม่น่าเชื่อนะจิตนี่มั น, ม, นมันไม่กลับกอกขนาดนั้นเชียเลยไม่กลับกอกเลยอันนั้นคือคือหมายถึงว่าคนที่ถูกต้องจะเป็นอย่างนั้น เราจะต้องหาความยุติในการทําไม่งั้นเราทําเหนื่อยตายเลยทําแล้วไม่มีวันจบเนี่ยตลอดเนี่ยตายเลยพระอรหันต์ก็ต้องทําอยู่ตลอดเวลาตายแนย่เพราะว่าคำว่าจบต้องมีเราจะต้องไม่เหนื่อยขนาดเท่า น, นั้นนะ่ะต้องเหนื่อยครั้งเดียวบางคนบอกเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันมันไวมากมันจะมีการมาตรฐานอย่างนั้นทีเดียวไม่ได้หรอกมันก็ต้องประคองอยู่เรื่อยแหละ มันจะต้องคุมอยู่เลยแหละไม่ได้สิดังนั้นแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่รู้ความจริงไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรเพราะอะไรถึงไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นที่เขาพูดอย่างนี้เพราะไม่เห็นร่างกายนี้การไม่เห็นร่างกายนี้ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้จริงฮั้ลร่างกายนี้เนี่ยผู้เจ้าสอนตั้แต่กุลบุตรที่บวชมาในศาสนานี้ก็คือ ถ้า แ, แต่บวชเป็นพระวังคเตเ g e o m e t r โลมาณะขาทัานตาตาโจให้เห็นร่างกายนี้ตามจริงทำไมเราไม่เห็นเหลอไม่เห็นน ะ, ะไม่เห็นจริงๆนะคือเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นกันเลยก็คือไม่เห็นกันก็คือร่างกายนี้ ทำไมเราไม่เห็นร่างกายนี้ไม่เชื่อลองหลับตาดูสิบางคนบอกเห็นเนี่ยนั่งก็นั่งก็ยังเห็นอยู่เลยเราเห็นด้วยตานี่เห็นอยู่นะแต่ว่าตาเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่มันมีปัญหาทั้งหมดเนี่ยใจใช่ไหมล่ะตาไม่มีปัญหานะเช่นเรานั่งมานั่งสมาธิเนี่ยบอกว่านั่งสมาธินะั่นหลับตานอกลืมตาในขาขวาครับขาซ้าย าตาเราก็ปิดแล้วเนี่ยทําไมปิดแล้วก็ต้องสงบสิถามว่าทําไมปิดตาแล้วเยู่ยล้าก็หลับแล้วทําไมไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นสมาธิหรือผมไม่เป็นอ้าวแล้วมันไปไหนล่ะตาในมันไปตานอก ม, นมันหลับมันไม่มีผลเลยแทนที่ตานอกหลับปุ๊บก็สงบลงทีถ้าเกิดว่าตานอกมีปัญหานะก็หลับตาก็หมดแล้ยหมดปัญหาแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อมันมีตาแล้วทําให้จิตเราไปก็หลับตาสิจิตจะได้ไม่ไป แต่นี่เชื่อไหมเราหลับแล้วมันยังไปอ่ะแสดงว่าตานอกไม่มีปัญหาถึงจะหลับมันก็ไปถึงจะตื่นมันก็ไปถึงจะลืมมันก็ไปถึงไม่ลืมมันก็ไปหลับอยู่มันก็ไปฉะนั้นตาในคือมีปัญหาที่สุดก็คือตาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถามไม่ได้มั้งกำลังถ่ายอยู่เนาะ อืมมันจะสะดุดเลยอืมอ่าอ่า อ่า ก, ากา็เห็นนั่นแหละสลดสังเวชนั่นแหละอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเนาะเดี๋ยวไปฟังดีวกว่าเนาะอ่าเพราะว่าตอนนี้กําลังเทศอยู่ในสะดุดอ่าฟังที่หลังก็ที่บายไวปก็จะก็ครอบคุมไปหมดอหละก็ <c oughs> คือว่าร่างกายของเราเนี่ย เราไม่เห็นกันมาก่อนตานอกเราเนี่ยถึงจะเห็นอยู่ก็เหมือนไม่มีผลเหมือนก็ว่าหมอเห็นคนป่วยสปเลยเห็นคนตายเราเองก็เคยไปส่งศพงานศพมากมายก็เห็นไปก็เท่านั้นเองแต่ใจของคนเหล่าเนี่ยไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัวแต่ส่งจิตไปนอกไปหาคนอื่นอยู่เสมอ จนที่เราว่าลที่บอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราปล่อยจิตตลอดเวลาจิตเรานี่ไม่เคยอยู่กับตัวเราก็เลยออกไปข้างนอก อ, ออกไปข้างนอกดูตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามัวแต่ส่งจิตไปใส่ใจคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยมองเลยว่าเรามีอะไรแต่เข้าใจว่าเรามีเท่านั้นเอง แต่เข้าใจเฉยๆแต่ไม่เคยเห็นกันที่หลวงพ่อพูธท่าท่านกล่าวนะว่านกไม่เห็นฟ้าป่าไม่เห็นน้ําไส้เดือนไม่เห็นดินนอนที่อยู่ในคูดไม่เห็นคูดเราเองอยู่ตัวเองไม่เคยเห็นกันอยู่ด้วยกันแท้ๆแต่กลับไม่เคยเห็นกันเพราะว่ามัวแต่ส่งใจไปอื่นมันก็เลยไม่เห็นเมื่อไม่เห็นปุ๊บเนี่ยเป็นที่มาของ ความคิดของคนเราที่คิดไม่จบคิดไม่จบก็คือเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเราไม่เห็นตัวเองก็เลยก็เป็นที่มาของกิเลส ท, ทั้งหมดถ้าเราจะดับกิเลสหรือดับอารมณ์ทั้งหมดได้เนี่ยก็มีทางเดียวก็คือต้องเห็นแจ้งตัวเองเมื่อเห็นแจ้งแล้วเนี่ยก็ต้องเบื่อหน่ายคือต้องเบื่อหน่ายทีนี้ว่า เราจำเป็นจะต้องเอาจิตเนี่ยมาพิจารณาตัวเราให้เห็นขึ้นมาถ้าเราใช้สมาธิมาพิจารณาได้ไหมบางคนถามเมื่อเราทำสมาธิมาก่อนแล้วเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นๆุนเดี๋ยวว่างเนี่ยแล้วก็เอาสมาธินั้นเนี่ยที่เรามาท ำ, ท, ำที่ทำอยู่มาไปมาม า, มาช่วยตัวนี้จะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลองทำดูเดี๋วไม่ได้ถ้าเราจะใช้สมาธิมาร่วมเนี่ย มันจะกดดันร่างกายเราตึงหมดเลยเพราะสมาธิมันแหลงแล้วมันจะไม่เห็นด้วยนะมันจะไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วร่างกายเราจะตึงหมดเลยเราต้องพิจารณาด้วยสติธรรมดานี่เองถึงจะดีแล้วก็เวลาเห็นก็ไม่เห็นตึงไปหมดเลยตัวเราตึงหมดหมดเลยตึงเครียดไปหมดเลยอ่าระบบร่างกายเราแปรปวนหมดเลยเพราะสมาธิเนี่ย มันแหล่งมันมีอานาจแหล่งแล้วก็ไปกดดันทุกอย่างเราเนะี่ยปั่นปวนแถมยังไม่เห็นด้วยซ้าเห็นก็ไม่เห็นปั่นปวนอีกต่างหากถ้าเราจะเห็นตัวเองได้ขึ้นมาก็เห็นรูปของนิมิตเพราะสมาธิคู่กับนิมิตอยู่แล้วจิตเราธรรมดาคู่กับความคิดจิตคู่กับความคิดสมาธิคู่กับนิมิต จิตเราคู่กับความคิดก็คืออารมณ์สมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเมไรก็ไปคู่กับนิมิตนิมิตก็คืออารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของสมาธินั่นเองก็คือนิมิตอารมณ์ของจิตธรรมดาก็คือความคิดทีนี้ว่าเราออกจากสมาธิมาเนี่ยปัญหาก็คืออยู่ในภาวะปกติเนี่ยจิตเรามันไม่อยู่นิ่ง เราก็มีความคิดขึ้นมามากมายคควาามิดเหล่นี้เองจึงเป็นปัญหาข้องหลับสํำหรับเราเราจะให้ความคิดเหล่านี้ดับเขาต้องใช้แค่สติเขาจะไม่เอาสมาธิมาใช้การที่เอาเทมาทิมาใช้นั้นมันจะไม่มีผลดีอะไรขึ้นมาการเห็นร่างกายของเราเนี่ยจะเห็นด้วยสมาธิไม่ได้จะเห็นลักษณะของการเป็นนิมิตซะ ก็ไม่ใช่ร่างกายนี้จะเป็นภาพอื่นไปซะภาพตัวเองนั่นแหละแต่เป็นภาพที่อื่นไม่ใช่ร่างนี้เนี่ยไม่ใช่ร่างนี้ก็กลายเป็นภาพนั้นเป็นนิมิตนั่นเองแต่ตอนนี้เราต้องการเห็นร่างอันนี้ไม่ใช่ร่างนิมิตนั้นทำไมร่างนิมิตมันไม่ดีเหรออย่างเช่นว่าบางคนนั่งสมาธิปุ๊บ เ, เห็นคนตัวเองในนิมิตว่าเห็นตัวเองเนี่ยนอนตาอยู่ แล้วตัวเองก็ยืนดูตัวเองตายอยู่สมมตินะแล้วก็เอาจิตดูตัวเองตายสมมติตัวเองตายขึ้นมาตัวเองที่ตายเนี่ยกำหนดให้เน่าให้เปื่อยให้ผุพังไปมันก็ทําตามนั้นนะเพราะเราเจตนาเราปรุงแต่งอย่างนั้นมันก็เลยผุพังให้เราเห็นเพราะเจตนาที่เราตั้งไว้อย่างไรจิตก็สามารถจะไปตามที่เจตนาเราตั้งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราออกจากสมาธินั้นมา ขณะที่เราเห็นร่างกายอย่างนั้นก็สลดสังเวชนะแต่เองออกจากสมาธิปุ๊บร่างกายนั้นก็หายไปร่างกายที่เป็นนิมิตก็หายไปขณะที่หายไปปุ๊บร่างกายจริงก็ไม่เห็นอีกเห็นแต่นิมิตร่างกายจริงก็อีกร่างหนึ่งก็ไม่เห็นฉะนั้นการไม่เห็นร่างกายจริงนี่ทําให้จิตนั้นก็เล่ล่อนอยู่ดังเดิมเพราะไม่เห็นร่างจริงเห็นแต่นิมิตนิมิตก็หายไปแล้ว ก็กลายเป็นว่านิมิตก็อยู่ไม่ได้อันนี้ถึงได้บอกว่าถ้าเราใช้สมาธิมาเนี่ยมันก็เป็นนิมิตแต่นิมิตแล้วเนี่ยออกจากนิมิตมานิมิตหายแล้วจะอยู่ที่ไหนละจิตมีทางเดียวก็คือว่างกับวุ่นวุ่นกับว่างอีกแหละก็กลายเป็นว่าเราแก้ปัญหาเรื่องว่างวุ่นเนี่ยไม่ได้ลองทาดูก็รู้นะคือที่พูดเนี่ยคืออยากให้ลองทามากกว่า ที่พูดนี้จะจริงอย่างนั้นไหมลองดูก็รู้แล้วจิตของเราเนี่ยจะไม่มีสติชำผัชยะกับตัวเราเพราะอะไรเราไม่เห็นร่างจริงฉะนั้นกรรมาฐานของพูุทธเจ้าเนี่ยท่านเอาล่างจริงก็คือผมขนเล็บฟันหนังจริงๆที่เรามีอยู่นี้ท่านให้เอาจิตพิจารณาท่องเที่ยวไปในร่างกายที่ร่างเดียวนี้ไม่ใช่ร่างนิมิตนั้น ถึงจะเป็นนั่งนิมิตมาก่อนก็ต้องกลับมาล่างปัจจุบันให้ได้ก็ลงเออยตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่อันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ถ้าไม่กลับมาล่างเดิมนี้มันไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเห็นล่างเดิมนี้ล่างปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้อย่างเดียวคือสติความจริงก็คือสติกับสมาธินี้ก็คือพี่กับน้องถ้ายามจิตอยู่ปกติเาเรียกว่าสติ ถ้าสตินั้นแก่ขึ้นก็คือสมาธิสมาธิก็คือสติที่แก่ขึ้นนั่นเองความจริงก็คือตัวเดียวกันเมื่อมันแก่เขาเรียกว่าสมาธิถ้ามันอ่อนอยู่เขาเรียกสติมันมันเหมือนกับว่าสมาธิก็คือสติที่แก่ขึ้นไปตามลำดับจนจนเป็นเป็นอารมณ์เดี่ยวเป็นเป็นเอกคตตาฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติรเนี่ย เขาให้มาพิจารณาร่างกายเขาให้พิจารณาสติด้วยสติถึงเรียกว่ากายยัคตาสติบ้างสติประฐานสี่บ้างก็ต้องใช้สตินั่นแหละเป็นตัวกาหนดบางคนบอกว่าไหนๆเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเราจะลดไปแค่สติถ้าคิดอย่างนั้นก็คือว่าไม่รู้ยศทสีแสดงว่าปัญญาไม่พอเขาเห็นประโยชน์อะไรที่พูดอย่างนั้น เพราะเขาไม่เห็นประโยชน์อันนั้นที่ถูกต้องถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสติเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนรากเง่าของต้นไม้สมาธิเหมือนเหมือนสิ่งที่โผล่จากพื้นดินขึ้นไปทางด้านบนสติคือฐานรากก็คือตั้แต่โคต้นไม้ไปถึงรากเง่าถามว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ย มันจะแข็งแก่งโดยที่ไม่ลม้มล้มเมื่อลมพัดมาง่ายๆก็คือต้องลากฐานที่ใหญ่ลากต้องใหญ่พอลากต้องแน่นหนาพอแล้วมันถึงจะรักษาต้นไว้ได้การที่เรารักษาต้นแต่ไม่ดูแลที่ลากลากไม่ใหญ่มันจะไปได้ไงสมาธิเราก็เลยล้มเราสังเกตไหมว่าตอนที่เราเข้าสมาธิจิตเรามั่นแต่ออกมาล้มทุกทีเลยเพราะอะไรลากเง้าไม่มี ลากเงาก็คืออะไรสติแต่คันบอกให้เราว่าเจริญสติให้มากกับบอกว่าเรื่องอะไรจะลดมาสติลดให้โง่สิเพราะว่าเรามีสมาธิอยู่แล้วถ้าลดมาสติก็เท่ากับเราลดเกตตัวเองสิคนนั้นพูดถึงเรื่องเดยบอกว่าเรื่องอะไรเราจะ ด, ดูดูแลที่ลากเราดูแลที่ต้นก็พอแล้วเราตั้งต้นไว้เสมอลากไม่ต้องดูแลเดี๋ยวก็ล่มใหม่ถึงได้บอกว่าคนนั้นไม่มีปัญญา เขามองไ ม, ไม่ไม่ไม่ถูกต้อง เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะว่าพิจารณาพิจารณาอย่างไรถ้าพิจารณาอธิบายให้ฟังแล้วไม่ครอบคลุมยังไงถามที่หลังที่หลัง <c oughs> าถามที่หลังอีกทีตอนจบก็ได้ตอนนี้อาจจะได้ไม่ จ, จะได้ไม่สะดุดเนาะก็คือว่าการที่เราใช้สติพิจารณาก็คือการที่เราจะบำรุงรากฐานของต้นไม้ให้ให้แน่นหนา เขาเรียกว่าสติปัฏฐานสติบวกฐานที่เป็นฐานเขาถึงเรียกว่าสติปัฏฐานสี่อย่างกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมาลองรับสมาธิพราะสมาธิเราเนี่ยทำขึ้นมาเวลาออกสมาธิปุ๊บล้มทันทีเลยสมาธิเราล้มทันทีเพราะอะไรฐานลากไม่มี เรามัวจะสร้างตึกขึ้นสร้างบ้านขึ้นมาสูงสูงแต่เสาเข็มเราไม่ลงล้มทุกทีเลยสร้างไปสร้างทำไมอ่ะสร้างไปก็ลม้มเนี่ยสร้างไปทำไมสร้างก็ให้มันไม่ล้มสิแต่ที่ล้มเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีฐานรากเราก็จะสร้างด้านบนมองด้านบนอย่างเดียวไม่มองด้านล่างความจริงด้านบนนั่นคือ ด้านล่างนั่นแหละคือด้านบนถ้าด้านล่างดีด้านบนก็ดีตึก ท, ที่ที่แข็งแรงก็คือฐานลากต้อง้องแข็งแรงการลงฐานราก น, น, น, นั่นแหละนั่นแหลมบ่งบอกถึงทุกข้างบนจะแข็งแรงดังนั้นสมาธิที่เราทำํำมันไม่มีสติประธานรองรับก็คือกายคตสติหรือสติประธานคือพิจารณากายนี่เองก็คือการพิจารณากายนี่คือสติประธานสี่นั่นเองที่เราได้ยินว่า กายในกายก็คือพิจารณากายภายนอกภายในก็ให้เห็นแจ้งขึ้นมานั่นเองเพราะเราไปไม่ลอดสมาธิเราไปไม่ลอดเพราะว่าไม่มีฐานลากเราจาเป็นจะต้องสร้างฐานลากของสมาธินี้ขึ้นมาออกสมาธิมาอ่มีว่างออกมาแล้วก็วุ่นว่าวุ่นอะไรเพราะฐานลากไม่ดีสมาธิเราก็ล้มตอนเย็นมานั่งสมาธิเหมือนกับมาตั้งต้นใหม่สมาธิออกสมาธิล้มอีกแล้ว เราจะไปได้ยังไงสมาธิถ้าเกิดว่าฐานลากข้งเราดีแล้วเนี่ยสมาธิเราทำครั้งเดียวเลยจบเลยต่อไปเนี่ยสมาธิข้อเราก็จะตั้งมั่นแล้วก็การทำนี้จบลงเขาเรียกว่าทำแล้วนี่มีวันจบก็เพราะว่าการกระทำข้อเราเนี่ยถูกต้องก็คือมีสติปัฏฐานสี่เข้ามารองรับ จึงเป็นที่มาของการพิจารณากายนี่ฉะนั้นการพิจารณากายทึานที่บอกว่าเป็นในย่ของว่าการกบจัดความยินดีนในตัวเองก็ได้การเป็นเจริญสติปัฏฐานสีก็ได้การเจริญกายยคตาสติก็ได้การอบรมมรรคก็ถูกก็เลยว่ามันมันมันถูกไปหมดน่ ดัง น, นกรรมฐานใดที่ไม่การไม่มีการผ่านการอบรมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยกรรมฐานนั้นเชื่อแน่ว่าไม่รอดไม่รอดไม่รอดถ้าจะรอดก็ต้องหมายอย่างนี้เท่านั้นเอาละ่ะเมื่อถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็จะอธิบายว่าเราจะทํายังไงให้เราพิจารณากายแล้วก็ให้เบื่อหน่ายตัวเองอย่างที่บอกว่าถ้าเราเบื่อหน่ายตัวเองได้ก็จะเบื่อหน่ายโลก เบื่อมานายโลกได้ก็จะเป็นไปได้ว่าเราต้องขายอารมณ์โลกออกอแล้วก็สุดท้ายก็คือหลุดพ้นอย่างที่ว่านั้น <c oughs> ก็มามาดูว่าเราจะศึกษาเรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วเราจะทำให้เกิดได้มีได้อย่างไรก็คือว่าหนึ่งเราต้องมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นมาก็คือว่าเราหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าสมาธิที่เราเคยเข้านั้น แล้วเอาสมาธิมาใช้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็ไม่ได้ก็งดไปก่อนอย่าเข้าไปในสมาธินั้น <c oughs> เข้าสมาธินั้นไม่ได้แล้วสมาธินั้นที่เอามาใช้ก็ไม่ควรเอามาใช้อย่างที่ชี้แจงไปแล้วว่าเอามาใช้ไม่ได้มันเป็นนิมิตมันไม่ใช่ร่างนี้แล้วก็ถ้าเอามาล่างนี้จริงๆแล้วมันกดกดดันร่างกายนี่ปั่นป่วนหมดเลย สมาธิใช้ไม่ได้ปั่นป่วนหมดแล้วร่างกายนีาเจ็บหัวัวร้อนปวดนั่นปวด น, นี่ไปหมดเลยถ้าเรามามาร่างกายนี่มันจะกดดันไปหมดเลย <c oughs> ถ้าไม่กดดันก็ต้องมาลักษณะของสติสติธรรมดาเนี่ยนะทีนี้ว่าจิตเรามีดวงเดียวสมาธิเราก็เลิกทาก่อนจิตออกงอกเราก็อย่าให้ออกไป การปล่อยจิตเขาเราเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยเราอย่าปล่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยจิตเราก็ทิ้งร่างกายเราใช้แล้วก็กลายเป็นว่าพภารกิจอันนี้ก็ถูกทิ้งแล้วนอกไม่ไปในไม่เข้าแล้วเอาจิตมาดูตัวเราาจํำง่ายๆนะนอกไม่ไปในไม่เข้าในไม่เข้าคือไม่เข้าสมาธินั้นแล้วก็เอาจิตมาดูตัวเรา ทิจนาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าหมายถึงว่าเอาจิตไปกําหนดที่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเวลากําหนดก็คือเอาจิตไปวางไว้ตรงนั้นจริงๆวางส่วนนั้นจริงๆสมมติว่าเราอยู่ที่ผมเนี่ยอยู่ที่ศีรษะเนี่ยเอาจิตเราไปอยู่ยบริเวณนั้นจริงๆแล้วก็ให้เห็นบริเวณนั้นขึ้นมาถ้าไม่เห็นสมมุติการเห็นขึ้นมาด้วยการอนุมานว่า อ่ า, อ า, อ ว, าวัยวะส่วนนั้นๆของเราเนี่ยมีรูปพันธสถานอย่างไรนึกไม่ออกหาตัวอย่างมาเราเคยเห็นคนอื่นไหมหรือเห็นตัวเองในกระจกไหมก็จําไว้เวลานึกก็นึกถึงว่าสิ่งนั้นบริเวณนั้นเป็นยังไงเอาจิตไปอยู่ร่างกายจริงๆของเรานเนี่ยให้อยู่บริเวณไหนให้เห็นบริเวณไหนก็ให้อยู่บริเวณนั้นเลยจิตถ้าไม่เห็นสมมุติเห็นขึ้นมา อนุมานเห็นขึ้นมาว่ารูปพันธสันญานเราเป็นอย่างไรแล้วไม่เห็นยังให้เห็นขึ้นมาถ้าให้เห็นบ้างแล้วให้รักษาเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าการรักษาเป็นเครื่องอยู่นี้เรากะว่าจะให้จิตคนเราย้ายที่อยู่เลยย้ายที่อยู่ใหม่ให้เลยย้ายบ้านหลังใหม่ให้เลยบ้านหลังเก่าเราจะเลิกการอยู่แล้วก็บ้านหลังเก่าคืออะไร ก็คือจิตเราไปฝากไว้ที่คนอื่นมาเลยคิดถึงคนนู้นนึกคิดถึงคนนี้คิดถึงคนหลายหลายคนก็คือจิตเราไปฝากคนเหล่านั้นไว้ก็กลายเป็นอารมณ์ที่ปัจจุบันที่เรามีอยู eleven, ่นี่เองอารมณ์ปัจจุบันของของของเราทุกวันนี้ก็คืออารมณ์ที่ไปคิดถึงคนอื่นเสมออารมณ์เหล่านั้นเองทําให้เรานั่งสมาธิไม่ได้มานั่งที่ใดคิดนู่นคิดนี่คิดนู่นคิดนี่ก็เพราะว่าเราไปฝากจิตเราไว้ไว้ที่อื่นอันนั้นคือบ้านหลังเก่าเรา ตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้เราก็ปล่อยจิตของเราไปอยู่นอกบ้านหมดเลยวย่ากัเถอะอยู่นอกบ้านน่ะไปอยู่บ้านขายบ้านคนอื่นทั้งนั้นเลยนอกบ้านเราน่ยทำให้เราเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นที่มาของอารมณ์ทั้งหมดที่เราม า, ม า, ม, ามาแก้กันนี่เองถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยจิตไปอยู่ดังเดิมอีกเนี่ยเท่ากับเราไปอยู่รอยเก่ามันก็เป็นการซ้าเติมให้เราเนี่ยตกต่าไปเหมือนเท่ากับเดิมอยู่แล้วเพราะเดิมก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว ถ้าเราเห็นว่าของเก่าของเราเป็นของทุกข์เป็นเป็นภาวะที่ตกต่ําเป็นภาวะที่เราอยากอยากจะพ้นไปเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นเราขอร้องว่าอย่าคบคาสมาคมเลยเราอย่าเอาจิตเราไปคบคาสมาคมกับทางเส้นนั้นกะว่าทางเส้นนั้นน่ะตัดญาติขาดมิตรกันเลยให้หายไปซะ ให้ดึงทักสะพานเสียอย่าทอดสะพานไปให้จิตเราอยู่ที่ใหม่ไปเลยบ้านหลังใหม่ไปเลยอย่ากลับไปอยู่บ้านหลังเก่านั้นอีกเขาทำกันอย่างนี้เขากะว่าจะถอนลากถอนโคลนถอ น, ถอ น, ถอนจิตไปไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยย้ายสม โ, มโนครัวไปเลยว่าไม่เอาแล้วตรงนี้ไม่ไหวแล้วย้ายไปแล้วจะไม่หวนกลับมาด้วยนะกะว่าอย่างนั้นเลยนะเราต้องคิดถึงขนาดนี้คือคือแผนงานไง เดี๋ยวทําสมาธิออกไปอยู่บ้านเขาอีกแล้วทําสมาธิออกไปอยู่บนเขาบางครั้งดึงมาอยู่ดูตัวเองเด็กก็ปล่อยไปอยู่บ้านเขาอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นทุกถ้าเราทําอย่างนั้นน่ะมันก็ช้าไปใหญ่สิถ้าเกิดว่าคนนั้นต้องการเร็วนะสมมุติว่าความเร็วความความไม่เนิ่นช้าเนี่ยเราก็อย่าปล่อยจิตไปอย่าปล่อยจิตไปอยู่ข้างนอกสิ ถ้าคนนั้นหวังความเจริญก้าวหน้าแต่วันคืนเนี่ยให้เกิดขึ้นให้มีเนี่ยมีทางเดียวอย่าให้ช้าก็คืออย่าให้จิตประยุท์ที่เก่าไม่ได้เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงมาเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวดึงความช้าก็จะมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดเราจะพ้นไม่ได้เลยเอาละเป็นวันว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราสามอย่างนี้แหละ นอกไม่ไปในไม่เข้าจิตมาดูเราดูตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจะเรียงลําดับตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าได้ไหมไม่ลองเลียงก็ได้ดูเท้าก่อนก็ได้หรือดูกลางๆก่อนก็ได้เขาพูดถึงเฉยๆว่าบริเวณเนี้ยตั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนเนี่ยอันไหนก็ได้ไม่เอาหัวไม่ก็ไม่เอาเท้าก็ไม่เอาเอากลางๆได้ไหมได้เลยอะไรก็ได้แหละไม่ใช่ว่าต้องหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวคืออะไรก็ได้ ที่เป็นตัวเราเนะี่ยบริเวณนี้แหละตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเอาได้หมดให้เห็นขึ้นมาเห็นแล้วไม่ใช่ว่าเห็นอย่างเดียวจะสำเร็จเห็นทั้งล่างเลย <c oughs> คือเราต้องการให้เห็นตัวเองทั้งหมดทั้งล่างไม่ให้ว่างต่อ ก, การที่ไม่รู้ไม่เห็นแต่เราจะเห็นทั้งหมดทั้งล่างทีเดียวมันไม่ได้เพราะอะไร เพราะเรายังใหม่อยู่เรายังเป็นผู้ใหม่เรายังอ่อนฝึกอยู่เราก็ต้องเห็นเท่าที่ได้ก็คือเห็นเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็ค่อยลุกหน้ากินพื้นที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วถึงทั้งล่างเพราะอย่างในยังไงต้องเห็นทั้งล่างอยู่แล้วถ้าไม่เห็นทั้งล่างแล้วจะหลุดพ้นไม่ได้ขนาดเห็นทั้งล่างแล้วยังไม่หลุดพ้นเลยนะยังยังไม่ถึงเลยแต่ก็ระดับถึงแล้วก็ ถ, ถือว่าถูกแล้วนั่นแหละแต่ว่า ก็ยังไม่ยังใกล้เลยล่ละใกล้หลุดพ้นเลยถ้าคนไหนเห็นตัวเองได้ทั้งหมดล่างนี้นะบริบูรณ์เลยนะคนนั้นจะเป็นพระอนาคามีพระนาคามีนะยังไม่ใช่พระาล้านแล้วตัวเราเนี่เชื่อไหมเห็นยากที่สุดยากมากๆแต่เมื่อเราไม่เห็นยังจะเห็นด้วยอะไรด้วยอุบาย อุบายก็คือว่าเราเห็นคนอื่นอย่างไรเช่นเราไปดูรูปภาพเนี่ยอสุภะเนี่ยเราไปเห็นรูปภาพมาเราจําไว้แล้วก็นึกถึงตัวเองนะเป็นหนึ่รูปภาพนั้นไม่เชื่อลองทำดูสิเวลาทำไปทำไปนะใจมันจะสลดใจมันจะสังเวชนะสลดสังเวชว่าโอ้ตัวเรานึกถึงความตายร่วมไปด้วยเวลามองเนี่ย เวลามองอย่าลืมนึกถึงความตายร่วมไปทุกครั้งเลยไม่ว่าเรามองในแง่ไหนก็แต้วแต่ให้นึกของความตายร่วมไปการนึกถึงความตายร่วมทุกครั้งเนี่ยทําไมต้องนึกร่วมไปด้วยเพราะการนึกนั้นเป็นวิลาขะธรรมการนึกไปลักษณะทิศทางนั้นเขาเรียกว่าไปทิศทางของวิราคะธรรม จิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเมื่อใดเนี่ยจิตเราจะวิเวกจิตเราอยู่ในตัวเมื่อไหร่จิตเราจะดับดับดับจากอารมณ์ภายนอกเป็นอารมณ์แปลไหนเกิดความดับเกิดความวิเวกเขาเรียกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธวิราคะก็คืออาศัยความนึกถึงความตายคือวิแปลว่าไม่ราคะาคือไม่ยินดีคือนึกถึงความตายก็คือว่าน้อม